สถานการณ์โควิด -19 โพชชงสวดก็ได้แต่ถ้าใช้จะยิ่งดีธรร ม, มกถาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษ า, าจารย์ประยุตโตถอดเสียงเป็นตัวอักษรโดยทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยานธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรากลิ่นสุวรรณเป็นประธานและโดยความเอื้ออำนวยการประสานงานของพระครูประคุณศารกิจกาวรุณกุศลานันโทเนื้อหาทั้งหมดแบ่งเป็นสาหมวดใหญ่ๆนะครับ คือขั้นที่หนึ่งขั้นศรัทธาขั้นที่สองขั้นปัญญาและขั้นที่สามปฏิบัติการจากใจผู้บันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้แม้จะพูดถึงโควิด1 9แต่เนื้อหาหลักเป็นการอธิบายหลักโพชงที่เข้าใจง่ายให้รู้เข้าใจว่าควรสวดอย่างไรที่มาและรายละเอียดเกี่ยวกับบทสวดโพชงอันเป็นแก่นสำคัญในการพ้นทุกสาหรับชาวพุทธ เพื่อให้รู้รอบด้านเกี่ยวกับหลักธรรมที่มีไว้เพื่อนํามาใช้ให้เกิดผลแท้ไม่ใช่มีไว้เพื่อท่องเป็นคาถามงคลหรือหวังสิ่งที่เป็นผลรองหรือผลพลอยได้เท่านั้นซึ่งหนังสือเล่มนี้ท่านอธิบายแง่มุมต่างๆของโพชงที่เกี่ยวโยงกับการใช้ชีวิตและเมื่อเข้าใจแล้วจะสามารถนาไปใช้กับหลายเรื่องในชีวิตได้ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะครับจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย อริยะพันธสิทธิ์วิชายาดามุ่งวิชาครอบครัวของคาสุวรรันวรพันชยพันธ์และบุญจันโผคาพาณิร์ร่วมกับอีกหลายท่านดังรายชื่อท้ายเรื่องและดูได้ในรายละเอียดจากทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเสมือนได้ทำด้วยตนเองนะครับสัพพทานนางธรรมทานางชินาติการใหธรรมะชนะการใหทั้งปวงเชิญร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันนะครับ หมวดหลักที่หนึ่งขั้นศรัทธาให้สังคมสามคัคคีคนมีกําลังใจคราววิกฤตโควิด1 9เราอยู่กันด้วยความรู้เข้าใจและหวังดีสวดมนต์สวดปริษฐ์คืออย่างไรควรได้ทั้งความรู้และจิตใจที่ดีเพื่อให้อยู่กันด้วยความรู้เข้าใจก็มาทำความเข้าใจในเรื่องเก่าๆ ก, กันไว้นิดหน่อย การสวดพ่ชงเนี่ยก็เป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาที่เรามีประเพณีสวดมนต์ซึ่งนิยมกันมาอย่างหนึ่งเรียกว่าสวดพระปริศต์ถือว่าเป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันช่วยให้ปลอดภัยพ้นอันตรายคําว่าปริศตเนี่ยชาวบ้านมักออกเสียงว่าปริศตแต่ถ้าถืออย่างทางการตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานท่านให้อ่านว่าปริต และง่ายๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันบทสวดเพื่อความคุ้มครองป้องกันอย่างนี้บทหนึ่งก็เป็นปริศหนึ่งท่านจัดประมวลมาตั้งแบบแผนเป็นชุดเล็กมีเจ็ดเรียกว่าเจ็ดตำนานและชุดใหญ่มีส2บสองเรียกว่าสิบสองตำนานควรทราบความเป็นมาของปริ์ไว้สักหน่อยอย่างที่รู้กันดี พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปที่นั่นเวลานั้นเขาถือว่าพรามและฤาษีดาบทเป็นบุคคลชั้นสูงเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มักมีฤทธิ์มีอำนาจพิเศษถือกันว่าพรามและฤาษีดาบทที่เก่งแก่งมีมนคขลังรู้มวลในคำพีอาถรพเวทเมื่อโกรธหรือจะลงโทษใครก็ร่ายมนด้วยฤทธิเดชของตน หรืออ้างอำนาจของเทพเจ้าสาปแช่งให้เป็นไปต่างๆเช่นให้ศีรษรแตกตายในเจดวันสามารถรายหมวลสะกดคนหรือสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ใต้อานาจของตัวสั่งบังคับให้ทำอะไรๆ ไ, ได้ตามใจปรารถนาเช่นสะกดให้หลับสะกดให้อ้าปากค้างพูดไม่ออกได้ทั้งนั้นหรือทำร้ายให้เป็นไปต่างๆสุดแต่จะขมเหงรังแกหรือแก้แค้นกันอย่างไรอย่างไร สำหรับคนทั่วไปซึ่งไม่มีฤทธิดเดชเมื่ออยากมีอยากใช้มนก็ไปเรียนจากพราหมณ์จากฤาษีหรือจะลักจาเอาก็นำไปใช้การได้เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้สอนให้คนมีเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ทำการรุนแรงจึงไม่มีการใช้มนหมายเหตุคาว่ามนนั้นบาลีเป็นมันตะ เป็นมนต์ต่อเต่กากระรันสันสกฤตเป็นมันตรามนต์ต่อเต่ารอเรือกระรันแต่คนทั้งสังคมนั้นคุณอยู่กับวัฒนธรรมเวทมนต์บางคนก็เป็นมนตราการหรือชำนาญมนตรวิทยามาก่อนแล้วสลัดเลิกมาเข้าสู่พระพุทธศาสนาแม้มาถือหลักพระพุทธศาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้เรียนรู้ไม่มีการศึกษาหนักแน่นเพียงพอ เมื่ออยู่ในบรรยากาศอย่างเก่าของสังคมแบบนั้นก็อาจจะรู้สึกอ้างว้างหรือวันไหวนี่คือสภาพที่ทำให้เกิดมีปริตรหรือบาลีว่าปริตตะขึ้นมาปิดช่องว่างหรือเป็นทางเบี่ยงเชื่อมต่อเข้าสู่พระพุทธศาสนาปริตแปลว่าเครื่องรักษาคุ้มครองป้องกันก็เป็นบทสวดแต่ไม่มีเรื่องของการสาปแช่งทาร้ายใช้โลภโทสะอย่างมนของพรามของฤาษี ตามปกติในคาภีไม่ใช้คำว่าสวดปริตแต่ใช้คำว่าทำปริตคือปริตตะกรณะหมายความว่าทำเครื่องปกป้องรักษาปริตนั้นเน้นเมตานำหน้าหรือเป็นตัวยืนตั้งแต่จะเริ่มสวดก็ให้ตั้งจิตเมตตาขึ้นมาก่อนและปริตรหลายบทก็มีเนื้อความที่เป็นการแสดงเมตตาคือปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ต่อทุกคน แม้ต่อคนที่คิดร้ายหรือตั้งตัวเป็นศัตรูปริตบางบทบอกสาระว่ามีความมั่นใจในตนเองที่มองเห็นว่าได้ทากิจหน้าที่ถูกต้องหรือมีคุณความดีอย่างนั้นๆแล้วพร้อมกับมีเมตตาปรารถนาดีต่อคู่กรณีหรือต่อผู้อื่นปริตที่บอกความ ก, กว้างก็คืออ้างอิงพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณยิ่งใหญ่กว้างขวางครอบคลุมความจริงความบริสุทธิ์ ความถูกต้องความดีงามทั้งหมดโดยระลึกขึ้นมาทำให้เกิดกำลังความมั่นใจคุ้มครองรักษาพาตนให้ปลอดภัยพ้นอันตรายอาจจะพูดถึงสารากของปริดเป็นแนวกว้างว่าเริ่มต้นก็ให้ตั้งเมตตาจิตขึ้นมาต่อจากมีเมตตานำหน้าพาใจให้สงบเย็นดีแล้วก็มีสตินึกระลึกเอาสัจจะเอาความจริงเอาธรรมะ เอาคุณความดีที่ตนมีตนปฏิบัติเป็นที่อ้างอิงในการป้องกันรักษาตัวให้ปลอดภัยพ้นอันตรายทำให้เกิดความมั่นใจในตนเองเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่สะทกสถานและมีสติมั่นใจอยู่กับตัวแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างดีที่สุดที่นี้สำหรับคนที่สวดโดยไม่รู้เข้าใจความหมาย อย่างในเมืองไทยคนทั่วไปไม่รู้ภาษาบาลีก็สวดด้วยศรัทธาแม้จะไม่รู้เข้าใจเนื้อความก็ได้ผลในแง่ที่ทำให้ใจสงบใจมาอยู่กับตัวหรือตั้งสติได้แล้วก็มีกาลังใจมั่นใจถ้าชุมนุมสวดมนต์ก็มีเพื่อนมีมิตรร่วมใจได้กาลังใจมาเสริมกันถ้าจะไม่มาชุมนุมกันเป็นกายสางฆี ก็มีจิตสา ม, มัคคีเมื่อได้อย่างนี้แล้วทำให้ห ม, มัวเพลินเรื่อยเปื่อยจบไปปล่าเปลา่า <c oughs> ก็พร้อมที่จะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่คิดหมายไว้โดยพร้อมเพรียงกันดังที่ว่าแล้วปริษฐ์นี้เกิดมีขึ้นในบรรยากาศของสังคมแบบพราหมณ์ที่มีมนดังกระหึ่มและพึมพำพึม พ, ม, พมอยู่ทั่วไปในบางครั้งบางคราวท่านจึงเอาคําว่ามนนั้นมาเรียกปริษ ในเชิงเทียบเคียงทำนองล้อคาล้อความของพรามนั้นว่านี่เป็นพุทธมนต์และก็มีท่านผู้รู้ในเมืองไทยนี้เรียกมนที่เป็นปกติของพวกพรามนั้นใหเห็นต่างแยกออกไปว่าเวทมนต์พระเถราจาร์บางท่านเมื่อโตกับพรามเรียกคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าว่าพุทธมนต์เพื่อใหพรามคิดเทียบเอง โพชงหลักธรรมใหญ่ใช้สวดมนต์ก็ได้เพื่อปูพื้นใจที่ดีเรื่องพระปรดิษก็เกิดมีเป็นมาอย่างที่ได้เล่าพอให้รู้เข้าใจคร่าวๆแล้วนั้นทีนี้ในบรรดาปริษฐ์เหล่านั้นก็มีปริษหนึ่งชื่อว่าโพชังคาปริษฐหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามีการเอาโพชงมาใช้เป็นประิษบทหนึ่งด้วยเรื่องนี้ขอทาความเข้าใจกันก่อนว่า ความจริงโพชงหรือโพชังคะนี่เป็นธรรมะหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็นหลักไว้มีความสมบูรณ์ในตัวของหลักนี้เองแลลง่ายๆว่าธรรมะที่เป็นองค์ของการตรัสรู้มีเจดข้อจึงเรียกชื่อเต็มว่าโพชงเจ็ดคือเมื่อปฏิบัติได้เต็มครบเจ็ดองนี้ก็จะทำให้เกิดความตื่นรู้ไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด ถึงการตรัสรู้โพชฌงเจดเป็นหลักธรรมใหญ่อันสำคัญอยู่อย่างนี้แล้วต่อมาได้มีการนำเอาหลักโพชฌงเจดนี้มาใช้สวดเป็นปริษ์บทหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมาอีกขั้นต่อหนึ่งทำไมจึงเอามาจัดเอามาใช้เป็นปริษฐ์ก็อย่างที่ว่าแล้วเรื่องเป็นมาในสังคมใต้บรรยากาศของศาสนาพราหมณ์ที่กระหึ่มไปด้วยเสียงสวดมนต์ พระพุทธศาสนาไม่ยอมรับมนเหล่านั้นแต่ได้มีประิษ์ขึ้นมาซึ่งในคมภี์ยุคหลังบางแห่งใช้คําเรียนหรือล้อศัพท์ของพราหมณ์เรียกประดิษ์ว่าพุทธมนต์ประิษของพุทธที่เรียกแบบล้อคําของพราหมณ์ว่าพุทธมนต์นั้นต่างจากมนหรือเวทมนต์ของพราหมณ์อย่างไรได้อธิบายเปพอสมควรแล้วที่นี้คําสอนคําแสดงธรรมในพระสูตรบางแห่งบ้างในบางชาดกบ้าง ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการอ้างอิงธรรมอ้างอิงความดีงามอ้างอิงสัจจะหรืออ้างอิงพุทธคุณธรรมคุณสังฆ ค, คุณแล้วพ้นภัยหายโรคเป็นต้นมีอยู่ที่ไหนท่านก็นำมาจัดมาใช้เป็นบทสวดที่เรียกว่าปริศซึ่งแปลว่าเรื่องคุ้มครองป้องกันปริศนั้นก็มีหลายบทแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครืหนึ่ง ท่านได้คิดว่าหลักธรรมโพชงเจ็ดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เอามาสวดเป็นปริษฐ์จะคุ้มครองป้องกันให้พ้นภัยอันตรายได้โดยเฉพาะในแง่ของโรคภัยไข้เจ็บทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็คือมีเรื่องในพระไตรปิฎกเล่าไว้ว่าราวหนึ่งพระมหากัสปะเทระซึ่งเป็นพระมหาสาวกสำคัญมากองหนึ่งได้อาพาธถึงขั้นป่วยหนัก ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงเยี่ยมพระมาหากัสสปะพระองค์ตรัสถามอาการอาพาธของท่านและในการสนทนาก็ทรงยกเรื่องโพชงขึ้นมาแล้วตรัสบรรยายอธิบายเป็นส่วนเสริมการเยี่ยมเยียนสนทนาที่จริงโพชงก็เป็นธรรมะที่พระมาหากัสสปะรู้เข้าใจและได้ปฏิบัติมาสำเร็จผลจนบรรลุจุดหมายแล้วแต่พระพุทธเจ้ามาตรัสอธิบาย เป็นการแสดงธรรมทบทวนและย้ำความสำคัญไม่ทราบว่ายาวนานเท่าไรปรากฏว่าเมื่อตรัสจบลงพระมหากัสสปะชื่นชมยินดีมีความสุขใจมากพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่ามีกำลังใจแรงขึ้นมาเช่นว่ามีปีติมีความซึ้งใจจนทำให้ท่านหายอาพาธอีกคราวหนึ่งพระมหาโมกขลานะ ซึ่งก็เป็นพระสาว o k e ที่สำคัญมากเป็นอัคราสาวกองที่สองได้อาพาธลงพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมและทักทายปราศัยแล้วตอนหนึ่งพระองค์ได้ตรัสบรรยายเรื่องโพชงซึ่งก็เป็นเรื่องที่พระมหาโมคลานะท่านทราบดีอยู่ทำนองไหว้ท่านฟังสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจได้ประสบมาเองซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ท่านได้เจริญในธรรมจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานมาแล้ว เท่ากับได้ทบทวนประสบการณ์ทางจิตใจและทางปัญญาที่ท่านได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วได้ฟื้นภาวะจิตที่ดีงามมีปีติมีความสุขเป็นต้นนั้นขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบแล้วพระมหาโมคลานะก็ชื่นชมยินดีและในขณะที่จิตใจของท่านมีกำลังแข็งแรงขึ้นมาท่านก็หายจากอาพาธนั้นคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเองประชวร ตอนนั้นพระมหาจุนทะซึ่งเป็นพระมหาสาวกองหนึ่งได้มาเป็นผู้อุปถ า, ากคอยเฝ้าดูแลอยู่ในวาระหนึ่งท่านเข้ามาดูว่าอาการอาภาษของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระมหาจุนทะว่านี่เธอเอโพชงมาพูดอธิบายสิที่จริงโพชงนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบดีเพราะพระองค์ได้ตรัสแสดงไว้เอง แต่คราวนี้พระองค์จะทรงฟังจึงตรัสให้พระมหาจุนทะกล่าวตามความรู้ความสามารถของท่านพระมหาจุนทะก็กล่าวอธิบายแสดงโพชงไปตามลาดับจนกระทั่งจบพอจบลงพระพุทธเจ้าทรงพอพระทัยก็ทรงหายอาพาธนี่คือเรื่องราวความเป็นมาที่พระโบราณจายกเป็นข้อปรารถบในการพิจารณานำเอาโพชงมาจัดเป็นปริษบทหนึ่ง และได้เรียบเรียงบทสวดที่เรียกว่าโพชังคาปริตรขึ้นมาซึ่งนิยมสวดให้คนเจ็บไข้ฟังเพื่อช่วยให้หายจากโรคสามคัคคีมีกำลังใจตั้งสติได้ใช้ปัญญาป่าวิกฤตพ้นไป ทีนี้เมื่อเรื่องมาถึงเราโดยมีทั้งโพชฌงที่เป็นหลักปฏิบัติธรรมที่เป็นองค์ของโพธิและโพชฌงที่เป็นปริษฐ์ที่ใช้สวดเป็นพุทธมนต์เราก็มองโพชฌงได้ในสองระดับคือหนึ่งระดับศรัทธาการเอาโพชฌงมาสวดเป็นปริษนี่เห็นได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในระดับศรัทธาคือมุ่งไปทางด้านจิตใจ ศรัทธาทำให้คนมีใจสดชื่นราเริงแจ่มใสมีกำลังใจเข้มแข็งซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะช่วยให้เป็นอยู่ดำเนินชีวิตได้ดีกำลังใจที่เข้มแข็งนั้นทำให้กายแข็งแรงได้ด้วยจึงเป็นส่วนช่วยให้หายโรคหายภัยได้ตรงข้ามกับคนหมดกำลังใจที่สุดลงให้เห็นได้ชัดชัดระดับปัญญา เป็นเรื่องของการรู้เข้าใจโพชฌงที่เป็นหลักธรรมแล้วนามาใช้มาปฏิบัติให้ก้าวไปจนได้บรรลุผลที่เป็นจุดหมายของการปฏิบัติโพชฌงนั้นคือการตรัสรู้เริ่มตั้งแต่รู้เข้าใจตัวหลักธรรมโพชฌงเจ็แต่ละข้อแต่ละองค์ว่าคืออะไรเป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรเอามาใช้มาปฏิบัติอย่างไรเป็นต้น ที่นี้ก็พูดในระดับที่หนึ่งก่อนคือในระดับศรัทธาที่ว่าเป็นด้านจิตใจอย่างที่เอามาใช้สวดกันนี้จะเห็นว่าในสถานการณ์อย่างเวลานี้เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บถึงขั้นมีโรคระบาดเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาก็ทำให้คนระโนกตกใจหวาดหวั่นพรั่นพรึงทำให้คนหลายพวกหลายหมู่ดาเนินชีวิตไม่สะดวก อะไรอะไรก็ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองจะเป็นอยู่ได้ตามปกติต้องมาติดขัดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างก็ทํางานทําการไม่ได้ถึงกับตกงานไม่มีงานทําชีวิตติดขัดจิตใจวุ่นวายเป็นกันไปต่างๆในสภาพอย่างนี้จิตใจของคนก็มีอาการเป็นไปต่างๆบ้างก็โกรกตกใจบ้างก็หวาดกลัวบ้างก็วิกตกกังวลบ้างก็ห่วงใยคนนั้นคนนี้ บางก็โกรธขัดเคืองไม่พอใจบางก็ซึมเศร้าเหงาหงอยบางก็กระวนกระวายกลุ้มอกกลุ้มใจบางก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นไปต่างๆรวมแล้วก็เป็นสภาพจิตที่ไม่ดีแล้วก็แปลกแยกกันถึงกับแตกแยกกันก็มีอย่างนี้ก็คือจิตใจคนชักจะระส่ำระสายแล้วถ้าจัดการไม่ได้นําทางไม่ดีก็จะไปถึงขั้นที่สังคมระส่าระสาย ในสภาพเช่นนี้ถ้าจะให้ดีต้องแก้ปัญหาให้ถึงพื้นฐานขั้นที่หนึ่งก็คือทำอย่างไรจะให้คนมีใจสงบลงรวมเป็นอย่างเดียวหรือไปในทางเดียวกันเมื่อคนทั้งหลายมีใจว้าวุ่นขุ่นมัวรู้สึกเนื้อคิดกันไปต่างๆนั้นพอทุกคนมีใจสงบลงได้ก็มีใจรวมกันคือรวมกันในความสงบเป็นอย่างเดียวกัน นี่เป็นการรวมกันในขั้นพื้นฐานแล้วทีนี้จะให้ดีก็ร่วมเดินร่วมดำเนินความคิดความเห็นทำการทั้งหลายไปในทางเดียวกันอย่างนี้ก็เป็นความพร้อมเพรียงสามัคคีเหมือนมีใจลงเรือด้วยกันไปในทางเดียวเมื่อสามัคคีกันก็จะทำอะไรต่ออะไรได้โดยพร้อมเพรียงแล้วก็จะสำเร็จผลได้ง่าย เวลานี้คนทั้งหลายในประเทศนี้ในสังคมนี้ก็เหมือนคนลงเรือลำเดียวกันและหลีกหลบฝ่าพายุร้ายโควิด -19 ไปด้วยกันบนทะเลใหญ่ถ้าสามัคคีมีใจรวมร่วมไปในทางเดียวกันทำอะไรอะไรประสานสอดคล้องไปด้วยกันในการฝ่าคลื่นลมที่แรงร้ายเรือไทยก็จะผ่านพ้นภัยอันตรายไปถึงจุดหมายแห่งความสุขได้โดยสวัสดี การสวดมนต์และฟังสวดมนต์นี่ช่วยทําให้ใจสงบตามปกติคนที่สวดมนต์และฟังสวดมนต์ก็คือญาติโยมประชาชนคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วอ่ฟังพระสวดมนต์หรือตนเองสวดมนต์ก็ตามใจก็นึกโน้มไปเนี่เรื่องบุญเรื่องธรรมะในความดีงามทําให้เป็นจิตใจที่ดีเกิดมีปีติในบุญในธรรมพอได้ฟังได้สวดเท่านั้นหนึ่ง เสียงสวดคําสวดก็มาครองใจแทนที่หรือไม่ก็กัน้นความคิดความรู้สึกที่ตื่นตระหนกตกใจฟุ้งซ่านขุนมัวเศร้าหมองวุ่นวายอะไรต่างๆให้เงียบหายไปใจก็สงบเมื่อคนที่สวดที่ฟังต่างมีใจสงบก็มีใจรวมกันในความสงบหรือมีใจสงบเหมือนกัน 2. ไม่ใช่แค่นั้นการฟังการสวดนั้น ยังพาใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคนที่ร่วมใจปรารถนาดีและอะไรต่ออะไรที่ดีงามก็ทำให้มีกําลังใจเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาทีนี้เมื่อใจคนเป็นอย่างเดียวกันอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าตัวคนมารวมกันถ้าเขามาสวดด้วยกันก็เรียกว่ามีกายสามคัคคีคือกายมาพร้อมเพรียงอยู่ด้วยกัน เมื่อคนมารวมรวมกันมีกายสามคัคคีก็รู้สึกอุ่นใจมาเสริมเพิ่มกำลังกันให้แต่ละคนเข้มแข็งมากขึ้นแต่ถึงแม้ตัวไม่ได้มาไม่ได้กายสามคัคคีแต่ถ้าใจสามคัคคีใจพร้อมเพรียงกันคือใจเป็นอย่างเดียวกันรวมกันในความสงบรวมกันในศรัทธาก็เป็นใจที่มีความสามคัคคีเรียกว่ามีจิตสามัคคี ก็ยิ่งมีกำลังแรงเพราะจิตสามคัคคีเป็นฐานของกายสามคัคคีเมื่อคนมีจิตสามคัคคีแล้วกายสามคัคคีจึงจะมีความหมายถ้าเอากายมารวมกันเป็นกายสามคัคคีแต่ใจไม่เอาด้วยกันเนี่ยกายสามคัคคีก็ไม่มีความหมายกำลังพลมากมายก็ไปไม่รอดฉะนั้นจิตสามคัคคีหรือใจสามคัคคีเนี่ยสำคัญ คนที่ฟังที่สวดมนต์มีจิตใจมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความสงบมีใจระลึกนึกถึงด้วยศรัทธาในพระพุทธเจ้าในธรรมะในความดีงามต่างๆในเรื่องที่ดีมีประโยชน์อันควรจะทำก็เป็นจิตใจที่ดีงามมีความสงบแล้วมีปีติสดชื่นเบิกบานแจ่มใสก็มีกำลังใจขึ้นมาพอใจสงบดีมีกำลังใจใจนั้นก็ตั้งหลักได้ ก็มีสติขึ้นมาพอสติมาตั้งหลักได้จะทำอะไรใจก็พร้อมทีนี้ก็เอาละถ้าเป็นคนที่ได้เรียนรู้มีทุนความรู้เข้าใจปัญญาก็ทำงานเดินหน้าไปได้นี่คือสติตั้งหลักให้แล้วปัญญาก็คิดพิจารณาว่าในสถานการณ์อย่างนี้เรามีความรู้ในเรื่องนี้อย่างไรเรามีความรู้ในเรื่องนี้อย่างนี้เราจะทำอะไร จะปฏิบัติอย่างไรกลายเป็นว่าปัญญาก็จะนำความรู้ต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นขั้นที่รวมใจรวมพลให้เกิดความสามัคคีและให้เกิดความร้อมที่จะปฏิบัติการดำเนินการต่างๆต่อไปในสมัยก่อนนั้นที่ท่านจัดให้มีการสวดมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่สวดมน แต่การสวดมนต์เป็นกิจกรรมชนิดที่ว่ารวมพลรวมคนรวมใจเพื่อให้พร้อมที่จะทำการอันใดอันหนึ่งต่อไปนี่คือตอนนี้คนมีใจสงบแล้วนะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วแล้วก็มีสติตั้งหลักให้พร้อมละ่ะเออทีนี้จะทำอะไรละ่ะท่านก็ต่อด้วยการฟังธรรมสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้คือมีหลักว่าพอสวดมนต์จบก็ฟังธรรม ที่นี้ในความหมายกว้างๆปังธรรมก็รวมไปถึงการเอาเรื่องดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเป็นอยู่มาบอกเล่าแนะนำกันเช่นเรื่องที่ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรในเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่มีโควิด1 9เกิดขึ้นเนี่ยมีวิธีป้องกันตัวดำเนินชีวิตที่ดีงามให้เป็นไปได้อย่างไรนี่คือเมื่อใจคนสงบด้วยการสวมดมนต์แล้วก็ได้โอกาสนาเอาความรู้นี้มาบอกกัน และนอกจากความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แล้วก็เอาธรรมะมาสอนอีกก็ดีกันใหญ่เรานี้ก็มีเรี่ยวแรงสู้ปัญหามีปัญญาดับทุกข์ได้ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงอย่างนี้ ถ้ามัวติดจมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายว้าวุ่นขุนมัวที่อะไรอะไรไม่ได้ไม่เป็นอย่างใจอย่ามัวเจ็บใจอยู่ในความทุกข์คนเราที่เกิดความตะหนกตกใจเกิดความขับคลองขัดใจว่าทำอะไรไม่ได้อย่างใจเช่นว่าจะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานบันเทิงก็ทำไม่ได้นั้นก็ได้แต่ขุนมัวทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจิตใจที่เสียหาย เสื่อมคุณภาพจมอยู่ใต้ความทุกข์ความเดือดร้อนนอกจากเป็นจิตใจที่มีทุกข์แล้วก็เป็นจิตใจที่เจ็บป่วยไม่เหมาะไม่พร้อมที่จะทำงานหรือเอาไปใช้งานลองคิดกันดูเมื่อมีเรื่องทุกข์มาแล้วเราจะทำอย่างไรถ้ามองตรงไปตรงมาก็จะเห็นว่าเออเจ้าโควิด1 9เนี่ยมันเป็นโรคร้าย ถ้ามันเข้ามาถึงตัวถึงกายก็จะเป็นอันตรายร้ายแรงจะทำให้คนเจ็บป่วยถึงตายเราต้องป้องกันไม่ให้มันมาถึงตัวแต่นี่คนเหล่านี้ทั้งที่ก็ยังอยู่กันดีๆโรคก็ยังไม่มาถึงตัวตัวก็ยังไม่เป็นโรคก็หงุดหงิดขัดเคืองเดือดร้อนใจว่ากันให้สับสนวุ่นวายไปหมดแล้วตัวเองอยู่กับความทุกข์เท่านั้นไม่พ อ, อยังทาให้คนกับคนวุ่นวายกันไปด้วย นี่มันเรื่องอะไรกลายเป็นว่าทั้งที่โรคนั้นก็ยังไม่มาถึงตัวแต่มันเก่งมันทำร้ายถึงใจได้เลยมันมาถึงทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ถึงกันกับมันนี่มองในแง่หนึ่งก็กลายเป็นว่าคนเหล่านี้ทำร้ายตัวเองเอาเรื่องที่คิดไม่ถูกต้องคิดผิดทางเอามาทำร้ายใจตัวเองทำให้เดือดร้อนเป็นทุกข์ ทีนี้ถ้าตั้งสติตั้งหลักได้วางใจให้ถูกอย่างน้อยก็คิดว่าเออนี่อะไรกันโควิดก็เป็นของมันมันทําให้เกิดสถานการณ์ร้ายมันสามารถทําร้ายเราได้เราจะต้องคิดป้องกันแก้ไขให้เราอยู่ของเราได้ให้พวกเราอยู่กันได้อย่างดีแต่นี่เรามาคิดวุ่นอยู่กับเรื่องตัวเองทํากับใจของตัวมัวจะคิดวิตกกังวลขัดเคืองวุ่นวายใจ เนี่เราเองเอามันมาทำร้ายตัวเราเรากลายเป็นผู้ถูกกระทําคนที่เก่งจริงต้องเป็นผู้กระทําไม่ใช่ผู้ถูกกระทําตอนนี้เราเป็นผู้ถูกรกระทําถูกกระทําอย่างไรเราเอาเรื่องมาคิดให้เป็นปัญหาเดือดร้อนใจตัวเองโดยไม่ได้คิดที่จะแก้ปัญหาตัวจริงเลยเรื่องนี้บอกว่าคนที่ปฏิบัติถูกต้อง คนที่เก่งจริงก็คือจากการเป็นผู้ถูกกระทาต้องเปลี่ยนให้ตัวเป็นผู้กระทาจากการถูกปัญหามาบีบคั้นถูกความทุกข์มากดทับตัวต้องพลิกตัวกลับขึ้นเป็นผู้แก้ปัญหาเป็นผู้ดับทุกข์สติจะบอกเลยว่าคุณทำผิดแล้วโรคก็ยังไม่เป็นแต่มันทำให้ตัวเราเกิดความวุ่นวายกลายเป็นการซ้ำเติมทากับตัวเอง อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเอาใหม่ต้องเปลี่ยนเราต้องพลิกตัวขึ้นเป็นผู้กระทาแล้วก็เป็นผู้แก้ปัญหาเป็นผู้ดับทุกข์ตอนนี้คือสติมาแล้วปัญญาก็ตามมาได้เลยพอปัญญามาก็เดินหน้าได้ถึงตอนนี้ก็คิดว่าเราจะจัดจะทำอะไรอะไรจะดําเนินชีวิตของเราอย่างไรให้ดีที่สุดแล้วพวกเราเพื่อนเราครอบครัวพี่น้องเรา จะอยู่จะทำอะไรกันอย่างไรให้ดีที่สุดที่จะแก้ไขเอาชนะมันได้ที่ว่ามาเนี่ยก็คือเริ่มจากว่าถ้าเรารู้จักสวดมนต์ให้ถูกต้องให้ได้ผลเป็นประโยชน์ก็จัดตั้งวางฐานให้แก่ชีวิตและสังคมได้คนเรานั้นมีฐานอยู่ที่จิตถ้าจัดวางจิตให้ถูกต้องแล้วเมื่อจิตนั้นดีมีความมั่นใจมั่นคงแล้วก็มีสติ เมื่อจิตมีสติสติก็ตั้งหลักให้เดินหน้าเดินงานได้ทีนี้ปัญญาก็มาคนก็กลายเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและทำการสร้างสรรค์งานการก็เดินหน้าไปก็แก้ไขปัญหาและทำสิ่งที่พึงต้องการได้อย่างน้อยก็พาให้ผ่านสถานการณ์ไปได้อย่างดีที่สุดจะจะให้สาเร็จผลอย่างดีคนต้องสามัคคีกัน สวดมนต์พาให้ทั้งกายและใจคนมาสามัคคีกันสามัคคีที่แท้ที่มีผลแน่คือสามัคคีของจิตใจเมื่อมีจิตสามัคคีแล้วความสามัคคีในการงานกิจาการและการกระทำทางกายก็ออกมาด้วยคนก็ไปด้วยกันเดินทางเดียวกันไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องสวดมนต์นี่ถ้าใช้ให้ถูกให้เป็นก็เป็นประโยชน์ได้มาก ก็เอาเป็นว่าเราใช้สวดมนต์เป็นพื้นฐานเบื้องต้นด้วยการที่คนมีศรัทธามานำทำให้จิตใจมารวมกันเมื่อใจคนรวมกันในความดีงามมีความสงบพร้อมกันดีมีสติตั้งหลักได้ก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยการใช้ปัญญาตอนนี้ลราที่ว่าพอสวดมนต์มีใจสงบในที่นี้คือไม่ใช่สวดกล่อมใจให้เคลิ้เคลิมพอสวดมนต์มีใจสงบ จบสวดมนต์ออกจากสวดมนต์แล้วก็มีการฟังธรรมมีการพูดจาบอกเล่าให้ความรู้ให้คติแนะนำอะไรต่างๆหรือพร้อมใจกันทำอะไรๆนี่คือศรัทธาที่ปฏิบัติถูกต้องก็มาต่อกับปัญญาในระดับปัญญาก็คือใช้โพชฌงในการปฏิบัติการที่จะพูดกันต่อไปตอนนี้พูดถึงเรื่องของศรัทธา ในระดับจิตใจแทรกเข้ามาให้เข้าใจไว้ก่อนในเรื่องของศรัทธาเรื่องของจิตใจนั้นได้บอกแล้วว่ากำลังใจเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญขวรย้ำเรื่องนี้ไว้ด้วยมีพุทธพจน์ที่พึงถือเป็นคติว่าอาปทาสุฐถาโมเวทิตาโพมีความหมายว่าเรี่ยวแรงกำลังของคนนั้นพึงรู้ได้ในกราวมีภัยอันตราย เริ่มแต่กำลังใจพอมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าคนมีกำลังใจไหมอย่างที่พูดสั้นๆว่ากำลังใจรู้ได้เมื่อภัยมาเราจะต้องพิสูจน์ว่าเรามีความเข้มแข็งมีกำลังตัวเราเองเนี่ยมีกำลังใจและประเทศชาติสังคมของเรามีกำลังที่จะผจญต่อสู้แก้ไขปัญหานี้ได้นี่เป็นเวลาที่จะพิสูจน์ตัวเอง ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีกำลังเข้มแข็งพอที่จะเอาชนะที่จะทำการให้สำเร็จอย่างที่ท่านว่าอปทาสุทาโมเวทิตาโพเรียลแรงกำลังรู้ได้เมื่อมีภัยอันตรายที่นี้ในยามีเรื่องร้ายมีภัยอันตรายเกิดขึ้นนี้ก็มีคติสำหรับสถานการณ์ของแต่ละคนที่ท่านให้ไว้อีกว่าคนที่เก่งจริง คนที่ดำเนินชีวิตได้ดีนั้นถึงที่ได้ประโยชน์สมหมายไม่เหลิงลอยถึงคราวสูญเสียประโยชน์ก็ไม่หมดกําลังใจคนจำนวนมากนั้นสติไม่อยู่ปัญญาไม่บอกให้พอได้อะไรสำเร็จดีได้ลาบโน น, นีก็เหลิงนี่คือพลาดไปแล้วเรียกได้ว่าเสียสติที่นี้พอสูญเสียบ้างมีเรื่องร้าย เจอภัยพิบัติเข้าก็หมดกำลังใจอีกอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็คือหมดสติฉะนั้นต้องเอาคตินี้ไว้จะได้เป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองดังที่ว่าถึงที่ได้ผลสำเร็จสมหมายไม่เหลิงลอยถึงคราวเสียประโยชน์ก็ไม่หมดกำลังใจอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ตัวเราเองและก็เข้ากับหลักที่ว่าเรียวแรงกำลังที่มี จะรู้ได้เมื่อมีภัยอันตรายที่ว่าสวดมนต์จบแล้วให้ฟังธทมอย่างง่ายๆก็สามารถแนะนำธรรมคติอย่างนี้หรือบอกธรรมบทสั้นๆพอให้จิตที่สงบมั่นพร้อมดีแล้วนั้นได้งานที่จะทำด้วยปัญญาต่อไปเป็นอันว่าการสวดมนต์ที่เป็นการปฏิบัติเบื้องต้นด้วยศรัทธาก็สามารถใช้เป็นเครื่องเตรียมจิตใจ ช่วยให้สงบมั่นคงเกิดมีเรี่ยวแรงกำลังตั้งสติได้ดีเป็นจิตที่เหมาะที่พร้อมจะใช้ทำงานและนำให้เกิดความสามัคคีที่จะให้คนเดินหน้าไปด้วยกันถ้าสังคมเป็นอย่างนี้ได้ถึงแม้ต้องผจญวิกฤตภัยก็หวังได้ว่าจะชนะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยแม้แต่ในระหว่างที่ยังดำเนินงานในการที่จะแก้ปัญหา คนก็มีจิตใจที่ดีมีสติมีกําลังใจที่จะก้าวไปข้างหน้าเอาล่ะนี่ก็คือการสวดพระปริษที่นำธรรมะมาใช้ในขั้นต้นซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธาว่ากันแค่นี้ก่อน หมวดที่สองขั้นปัญญารู้เข้าใจใช้โพชฌงโพชฌงนี้คือที่สติกับปัญญามาทำหน้าที่เต็มตัวต่อไปขั้นที่สองคือระดับปัญญาเป็นขั้นที่รู้ที่ถึงตัวจริงของโพชฌงทีนี้เราก็มาเรียนโพชฌงที่เป็นหลักธรรมกันหน่อยอาจจะรู้สึกว่ายากบ้าง แต่ถ้าเรารู้เข้าใจจริงแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโพดชงนี้ท่านย้ำไว้ว่าสำคัญนักโพดชงแปล ว, ว่าธรรมะที่เป็นองค์ของการตรัสรู้พูดขยายความว่าธรรมะคือข้อปฏิบัติที่เป็นองค์ประกอบของการตื่นรู้จนถึงตรัสรู้ทำไมจึงแปลยอย่างนั้นโพดชงเนี่ย มาจากคําว่าโพธินั่นเองในภาษาบาลีมีวิธีทางวยากรณ์โพธิคือการตรัสรูน้นี้เวลาไปรวมกับอังคะกลายเป็นโพชะจึงเป็นโพชังคะภาษาไทยเรียกว่าโพชงที่จริงก็คือโพธินั่นแหละแล้วก็อังคะคือองค์ได้แก่องค์ประกอบจึงเป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้ องค์ประกอบของการตรัสรู้ก็หมายความว่าธรรมะแต่ละข้อในจำนวนนี้เป็นองค์ประกอบที่มารวมกันเข้าทำให้เกิดการตรัสรู้ที่ว่าเป็นองคืคอองประกอบนี้ก็หมายความว่าต้องพร้อมต้องครบจึงจะตรัสรู้เพราะฉะนั้นธรรมะชุดนี้จึงมีคำที่ท่านอธิบายไว้พิเศษหน่อยว่า องประกอบเหล่านี้ต้องมาครบพร้อมกันเป็นธรรมะสามคัคคีซึ่งจะไม่ค่อยได้ยินที่อื่นธรรมะชุดโพชงนี้มีคําว่าธรรมะสามคัคคีหมายความว่าเป็นการประชุมหรือรวมพร้อมของบรรดาธรรมะที่เป็นองค์ประกอบก็หมายความว่าโพชงนี้เป็นระบบองรวมโพชงนี้มีเจดข้อ ก็คือต้องพร้อมทั้ง7ข้อแต่ละข้อเป็นองค์หนึ่งหนึ่งคือเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งหนึ่งมาครบพร้อมทั้ง7ข้อก็ตรัสรู้หรือสำหรับคนที่ปฏิบัติเบื้องต้นก็เรียกง่ายๆว่าตื่นรู้ฉะนั้นอย่าลืมว่าธรรมะชุดนี้พิเศษจึงมีคำว่าองค์และว่าองค์ประกอบและต้องมีสามัคคีคือพร้อมกันครบ เราพูดว่าคนพร้อมเพรียงกันนี่ธรรมะก็ต้องพร้อมเพรียงคือต้องมีสามคัคคีทีนี้มีอะไรบ้างล่ะโพชงคือโพธิบวกองค์องค์ก็คือธรรมะที่เป็นองค์ประกอบของโพธินั้นมีเจ็ดข้อว่าให้ฟังผ่านๆก่อนได้แก่สติธรรมวิจัยวิริยะหรือความเพียรปิติปัสสถิหรือความผ่อนคลาย สมาธิและอุเบกขานี่เจดข้อนะทีนี้ก็มาเรียนความหมายให้รู้ว่าทำไมธมรรมะเจข้อนี้จึงสำคัญนักใครมีพร้อมก็ทำให้เกิดความตื่นรู้จนถึงตรัสรู้สำเร็จถึงจุดหมายว่าไปทีละข้อฟังกันแบบผ่านๆสบายๆโพชฌงค์องค์ที่หนึ่งสติ ธรรมะองค์นี้ได้ยินกันเสมอสติเป็นตัวตั้งต้นให้สังเกตไวเลยพอจะเริ่มต้นต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติก็เริ่มไม่ได้สติเป็นตัวสำคัญที่ตั้งหลักให้ถ้าตั้งตัวตั้งหลักไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้สติแปลว่าอะไรแปลง่ายง่ายว่าระลึกนึกไว้จาได้ไม่หลงลืม ไม่เลื่อนลอยไม่ละเลยนีดแปลแบบง่ายๆทีนี้ลักษณะของสติเป็นอย่างไรคือตื่นตัวตั้งหลักได้ใจอยู่กับตัวไม่ประมาทขออธิบายนิดหน่อยตื่นตัวเป็นอย่างไรตื่นตัวคือทันร้อมมีอะไรเกิดขึ้นก็ทัน ทันเหตุทันการทันข้อมูลทันเรื่องราวทันความรู้และพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะลงมือทำนี่แหละสติเป็นตัวเริ่มต้นถ้าไม่มีสตินี้อยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ต้องอธิบายประกอบนิดหน่อยตื่นตัวเนี่ยตรงข้ามกับตื่นตูมมีสติคือตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตูมนั้นตรงข้าม ตื่นตัวคือมีสติแต่ตื่นตูมคือเสียสติตื่นตูมคือตกใจหวาดกลัวจนกระทั่งสติหายไปเลยทำอะไรต่ออะไรผิดพลาดหมดเหมือนอย่างกระต่ายตื่นตูมคือมันนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงลูกตาลตกลงมาบนใบตาลแห้งดังสนั่นวันไหวนึกว่าโลกแตกก็เลยกระโจนไปร้องตะโกนว่าโลกแตกโลกแตกสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่อง ก็วิ่งตามกันไปเป็นฝูงเอาละเรื่องกระต่ายตื่นตูมก็ไปฟังเอาเองก็เป็นอันว่าไม่ตื่นตูมมีสติคือตื่นตัวตื่นตัวก็พร้อมก็ทันอย่างที่ว่าแล้วทีนี้ต่อไปตั้งหลักได้พอมีสติเนี่ยคนตั้งหลักได้ทันทีพอตั้งหลักได้จึงทำอะไรอะไรได้ คนที่ตั้งหลักไม่ได้เนี่ยทำอะไรก็พลาดหมดพอตั้งหลักได้ก็ทำได้เต็มที่ฉะนั้นตั้งหลักได้จึงสำคัญมากต่อไปก็ใจอยู่กับตัวคนที่มีสติใจอยู่กับตัวก็ไม่ใจหายไม่ใจลอยไม่ขวัญหนีคนใจลอยใจหายขวัญหนีก็คือไม่มีสติต้องเรียกสติกลับมา ให้ใจอยู่กับตัวไม่ใจหายไม่ใจลอยถ้าใจอยู่กับตัวพอมีอะไราเกี่ยวข้องมีอะไราที่ตัวจะต้องเกี่ยวไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับตัวหรือตัวควรจะเกี่ยวที่ตัวจะต้องเอาใจใส่ใจก็ไปถึงเลยใจไปถึงสิ่งนั้นด้วยสตินึกถึงนั่นเองสตินึกถึงสิ่งนั้นก็คือใจถึงการ ก, กับสิ่งนั้น ใจนึกที่จะไปทำไปจัดการกับสิ่งนั้นคือจะเริ่มดำเนินการก็ไปจับเอามาเพื่อจะได้จัดการทีนี้ต่อไปเมื่อใจอยู่กับตัวแล้วก็ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือมีสติอยู่คนมีสติอยู่ไม่ประมาทก็เหมือนกับคนเฝ้ายามยามนั้นมองดูอยู่ร้อมอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูสิคนอยู่ยามนะ ใจต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วก็มองดูอยู่เออคนนี้ร้ายเนี่ยน่าสงสัยกั้นไว้ก่อนไม่ให้เข้าถ้ารู้แน่ว่าร้ายก็กัน้นหรือเอาออกไปเลยแต่ถ้าเป็นคนดีสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ก็รับเข้ามานี่คือหน้าที่ของยามเป็นหน้าที่ที่มีลักษณะของความไม่ประมาทแต่ไม่ประมาทนั้นยังอีกเยอะ ในความหมายว่าไม่ละเลยไม่ปล่อยปละละทิ้งมีอะไรที่ควรจะทำก็รีบทำที่ว่ามาเหล่านี้คือลักษณะของสติสติน้สำคัญมากเอาแค่นี้ก็พอถือว่าเข้าใจรู้ความหมายของสติแล้วสตินี้ทำงานที่สำคัญคือนำเสนอหรือส่งเรื่องให้ปัญญาพอสติมาเริ่มต้นเริ่มเรื่องแล้ว ก็เรียกปัญญาให้มาดูมาพิจารณาถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าสติเนี่ยเป็นมือปัญญาเป็นตาตาคือปัญญาจะมองดูอะไรถ้าสิ่งนั้นไม่มาอยู่ต่อนหน้าไม่อยู่ตรงตาหรือลอยไปลอยมาตาจะดูอย่างไรก็ไม่ชัดก็ต้องเอามือคือสติไปจับเอาสิ่งนั้นมาถือไว้ให้ตรงใส่ตาวางไว้ข้างหน้า หรือในที่ซึ่งเหมาะที่สุดที่ตาคือปัญญาจะเห็นได้ชัดจะตรวจตราพิจารณาได้เต็มที่นี่แหละที่ว่าสติเป็นตัวเริ่มต้นให้แล้วตัวสำคัญที่จะทำงานกับสติก็คือปัญญาปัญญาในที่นี้ชื่อพิเศษเรียกว่าธรรมวิจัย โคชงองที่สองธรรมะวิจัยคือวิจัยธรรมวิจัยเรื่องราวต่างๆจะเรียกว่าธรรมะวิจยะหรือธรรมะวิจัยก็ได้ธรรมหรือธรรมะนี่หลาง่ายง่ายว่าสิ่งก็ได้เช่นในคำว่าสัพเพ ธ, ธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีไม่เป็นอัตตาเมื่อมีเรื่องราวมีข้อมูลอะไรอะไร สติก็จับมาส่งให้ปัญญาปัญญาก็วิจัยปัญญาในที่นี้เรียกว่าวิจัยวิจัยคือเฟ้นโบราณแปลว่าเฟ้นหมายความว่าเลือกคัดจัดแยกตรวจสอบสืบคน้นสาวหาเหตุปัจจัยเฟนให้ได้ความจริงเฟ้นให้ได้ตัวจริงเฟนให้ได้วิธีปฏิบัติที่จะทำการแก้ปัญหาได้สําเร็จ หรือลุล่วงถึงจุดหมายได้เสร็จสิ้นปัญญาชื่อว่าวิจัยนี้สำคัญนะักต้องเข้าใจไว้นะวิจัยที่สำคัญนี้ท่านใช้มาก่อนเดี๋ยวนี้เราก็เอามาใช้กันโดยถือว่างานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญแต่ท่านใช้มาดั้งเดิมในหลักโพชงนี้เรียกชื่อเต็มว่าธรรมวิจัยพอปัญญาทำงานวิจัย ก, ก้าวหน้าไปในการที่จะรู้เข้าใจเรื่องราวเข้าถึงตัวจริงของเรื่องได้ประเด็นที่แท้มองเห็นช่องทางวิธีปฏิบัติที่จะเข้าถึงความจริงตลอดจนได้วิธีแก้ปัญหาวิธีจัดการดำเนินการให้ถึงจุดหมายธรรมะวิจัยคือวิจัยธรรมะทำงานนี้ทั้งหมดปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้ามั่นแนวสดชื่นเรื่อนสบายผ่อนคลายมองนิ่งได้ชัดและตรงที่นี้พอวิจัยไปวิจัยไปปัญญาเดินหน้าพัฒนาไปก็ได้กำลังเรียวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อนตัวนี้คือความเพียรได้แก่โพชฌงององค์ที่สามวิริยะคือความเพียรตอนนี้ปัญญาทำงาน ก็ต้องการวิริยะมนุนเจอเรื่องยากก็ไม่ระยอ่อวิริยะคือความกล้ากล้าภาคเพียนบุกฝ่าเดินหน้าไม่ถอยช่วยให้ปัญญาเดินหน้าไปในการพินิจพิจารณาในการคิดค้นเรื่องต่างๆคิดสรรวิธีการต่างๆความเพียนมาช่วยเรียกได้ว่าขับเคลื่อนส่งกำลังให้ปัญญา โคดชงองค์ที่สี่อิติคือความอิ่มใจปลื้มใจพอมีวิริยะแล้วทินิจัยมองว่าปัญญาเห็นสว่างก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปและความเพียรก็เข้มแข็งขับดันให้กำลังหนุนอย่างดีสติก็จับอยู่ไม่หลุดไม่พลาดธรรมะวิจัยก็ทำงานได้ดีวิริยะก็เดินหน้าไปประสานสอดคล้องกันดี ก็สมใจพอสมใจหมายได้ดังใจก็ปลื้มใจอิ่มใจนี่คือปิติมาในปิตินั้นไม่มีความขุนข้องขัดข้องขาดตกบกพร่องในใจใจจึงอิ่มเรียกว่าอิ่มใจแล้วความอิ่มใจนั้นด้านหนึ่งก็ไปเสริมวิริยะเมื่อวิริยะไม่มีอะไรติดขัดมีกำลังเต็มที่ก็เดินหน้าได้เต็มแรง และอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลต่อเนื่องให้ใจที่อิ่มแล่นั้นเกิดความผ่อนคลายซึ่งเป็นภาวะของจิตและกายที่สําคัญมากเป็นโพชงข้อต่อไปโพหชงข้อที่หปสัสสธิคือความผ่อนคลายนี่คือเมื่อใจอิ่มไม่มีอะไรขาดพร่องไม่มีอะไรขัดข้อง ไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่ต้องเกรงไม่ต้องขม็งไม่ต้องเครียดภายในใจก็ผ่อนคลายดังนั้นพอปีติคือความอิ่มใจมาแล้วปัจสธิก็ตามมาปัจสธิแปล ว, ว่าความผ่อนคลายรื่นสบายกายใจซึ่งตรงข้ามกับสารัต t ที่แปลว่าเครียดปัจสทิความผ่อนคลายรื่นสบายกายใจ ไม่มีอะไรกดดันรุมเรา้าเป็นภาวะจิตสำคัญที่เปิดโอกาสแก่ความสุขและแก่สมาธิและเป็นภาวะที่บรรจบประสานกายกับจิตคือเมื่อมีปัจ ส, สถานก็จะมีทั้งกายปัสสทาคือกายผ่อนคลายเรื่นสบายและจิตตาปัจ ส, สถานคือใจผ่อนคลายเรื่นสบายปัสสทินี้มีความสุขตามมาด้วย การทำงานด้วยโพชงจึงเป็นการพักผ่อนไปในตัวและเป็นความสุขแถมให้อีกด้วยปัจสถาเข้ากันดีกับความคิดที่สุจริตไม่มีการเบียดเบียนและเป็นตัวแสดงของสุขภาพจิตซึ่งส่งผลมาถึงสุขภาพกายด้วยเมื่อมีปัจสถานก็เปิดโอกาสให้จิตเป็นสมาธิเป็นองค์ต่อไป โพชงองค์ที่หกสมาธิคือภาวะจิตตั้งมั่นใจมุ่งแนว่วเป็นธรรมดาตามธรรมชาติที่เดียวว่าเมื่อมีปัสสิคือความผ่อนคลายแล้วก็จะมีสุขตามมาสุขก็คือไม่มีอะไรบีบคั้นกดดันทิ่มแทงกวนใจจิตไม่ต้องดิ้นรนก็อำนวยให้จิตนิ่งแน่วเป็นสมาธิดังนั้น ต่อจากปีติก็มีปัสสถิมีปัสธิแล้วก็ผ่านสุขมาเป็นสมาธิซึ่งความสุขเป็นเวทนาที่เสพสวยไม่ใช่เป็นตัวทำงานจึงไม่เป็นองค์ด้วยพอเป็นสมาธิใจก็นิ่งแนว่วเมื่อใจมั่นแน่วแล้วปัญญาจะพิจารณาสอดส่องตรวจตราเรื่องอะไรใจนิ่งแน่วอยู่กับเรื่องนั้น ปัญญาก็ทำงานได้เต็มที่คล่องไม่ต้องติดขัดเลยตอนนี้จึงยิ่งดีกว่าใช้สติเมื่อกี้นั้นสติยังต้องคอยจับคอยพยุงคอยคุมคอยดึงไว้ไม่ให้มันหลุดมันหายไปแต่ตอนนี้ใจอยู่กับเรื่องนั้นแล้วเมื่อใจอยู่สติก็ไม่ต้องทำงานตอนนี้สติเพียงคลออยู่คือถ้าหลุดจากสมาธิเมื่อไร สติก็ทำงานทันทีแต่พอสมาธิทำงานสติก็ไม่ต้องแล้วสติก็วางได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าคนจับเอาวัวพยศมาแล้วจะให้มันอยู่กับที่จะทำอย่างไรก็เอาเชือกมาผูกดึงไว้วัวจะไปก็ไปไม่ได้เพราะเชือกดึงอยู่เชือกนี้คือสติเชือกนี้ดึงไว้ตรึงไว้ทำให้วัวที่พยศ ไปไหนไม่ได้แต่ทีนี้ต่อมาเจ้าวัวพยศตัวนี้ใจมันยอมแล้วมันก็หมอบนิ่งอยู่กับหลักพอมันหมอบนิ่งแล้วเชือกก็ไม่ต้องทำงานละเชือกคือสติไม่ต้องทำงานไม่ต้องดึงไม่ต้องตรึงเพราะมีสมาธิคือเจ้าวัวมันหมอบอยู่กับที่แล้วทีนี้ปัญญาก็ทำงานในจิตที่มั่นแน่อยู่กับที่แล้ว ก็ทำงานได้สะดวกคล่องเต็มที่เลยพอจิตมั่นแน่วเป็นสมาธิแล้วก็เปิดโอกาสให้จิตมีภาวะที่ลงตัวดีที่สุดเป็นองค์สุดท้ายเรียกว่าอุเบคาซึ่งเป็นข้อที่คนไทยมากมายยังเข้าใจผิดไปไกลก็มาดูองค์สุดท้ายนี่ว่าเป็นอย่างไรโพชฌงองค์ที่เจ็ดอุเบขา คือภาวะที่ใจนิ่งตรงเป็นกลางแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจชัดใจนิ่งตรงเป็นกลางคืออย่างไรก็ทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็ยกคถาที่พระพุทธเจ้าทีปังกรตรัตแสสุเมธาดาบทเอามาให้ฟังสักครึ่งคถาพระองค์ตรัสว่าตุลาภูโตทันโหสัมโพธิงปาปุนิสสิแปล ว, ว่า ท่านเป็นดังตุลาหนักแน่นมั่นคงจากลุถึงซึ่งสัมโพธิญาณ น, นี่คือพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าพระนามวัตถิปังกรตรัสไว้เป็นลักษณะของอุเบกขาที่ว่าท่านเป็นดังตุลาหรือมีใจเป็นตุลาก็หมายความว่าท่านมีใจเหมือนอย่างตราชูรู้จักไหมตราชูมีใจเหมือนอย่างตราชูก็อยู่ในดุลอยู่ในภาวะสมดุล คือเที่ยงตรงไม่เอียงข้างซ้ายไม่เอียงข้างขวาไม่เอียงขึ้นไม่เอียงลงตรงแนวพอดีเลยนี่คือภาวะจิตที่ลงตัวอยู่ในดุลยาภาพเป็นอันว่าลักษณะสำคัญของอุเบกขาคือตุลาภูโตเป็นตุลาจำไว้เลยนะพระพุทธเจ้าทรงใช้คำอธิบายของคำอุเบกขาว่าตุลาภูโต ใจเหมือนตราชูอยู่ในดุลอยู่ในภาวะสมดุลโรงนี้แหละเป็นหลักสำคัญจิตที่อยู่ในภาวะนี้ได้เป็นจิตที่สมบูรณ์มองเห็นอะไรอะไรตรงเต็มพอดีพระอระหันต์มีจิตเป็นปกติอยู่ในภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาที่เป็นภาวะสมดุล น, นี้ในเมืองไทยเราก็เอาตุลามาใช้ แต่เราเรียกว่าตุลาการก็เลยแปลตุลาการกันหน่อยตุลาการนี้แปลได้สองอย่างหนึ่งแปลว่ามีอาการเหมือนตุลามีอาการเหมือนตราชูหมายความว่าผู้พิพากษาต้องมีอาการคือมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับตุลาเหมือนกับตราชูซึ่งอยู่ในภาวะที่สมดุลก็คือเที่ยงตรงนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งก็แปลตุลาการว่าผู้สร้างตุลาหรือผู้ทำตุลาก็คือผู้สร้างตราชูหรือสร้างความเที่ยงตรงนั่นเองอันนี้ออกไปนอกเรื่องนิดหน่อยก็กลับมาที่ตุลาภูโตซึ่งก็นั่นแหละคืออันเดียวกันตุลาภูโตแปลแล้วว่าเป็นเหมือนตุลาหรือมีจิตใจเป็นตุลา คืออยู่ในภาวะสมดุลก็คือเที่ยงธรรมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่เอียงเอียงไม่ว่าซ้ายหรือขวาไม่ว่าขึ้นหรือลงตรงแนวก็มองเห็นไม่ว่าอะไรตรงไปตรงมาตามเป็นจริงเป็นกลางไม่ถูกความรู้สึกอะไรทั้งนั้นครอบงำไม่ว่าชอบไม่ว่าชังถ้าชอบก็เอียงไปทางหนึ่งถ้าชังก็เอียงไปอีกทางหนึ่ง เรียกว่าเกิดความไม่เที่ยงตรงการพิาพากษาตัดสินวินิจฉัยก็เบี่ยงเบนไปหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวคุมท้ายให้ถูกต้องสมบูรณ์ใจสมดุล งานสมบูรณ์ตอนนี้ครบแล้วองค์ทั้งเจ็ดของโพชงในชุดนี้มีตัวทำงานสำคัญที่บอกเมื่อกี้ว่าสติเป็นตัวเริ่มต้นจับงานเอาไว้แล้วปัญญาก็เป็นตัวทำงานเดินหน้าไปปัญญานี้ที่เรียกว่าธรรมะวิจัยนี่แหละเมื่อเข้าชุดโพชงทำงานไปพัฒนาไป จนสำเร็จผลลุจุดหมายให้คนถึงธรรมเห็นความจริงแท้และได้ประโยชน์สูงสุดจากความจริงนั้นธรรมวิจัยก็จะกลายเป็นโพธิคือปัญญานี่แหละจะพัฒนาขึ้นไปเป็นโพธิยานเรียกว่ารัสรู้การที่ปัญญานั้นทำงานหาความรู้และคิดการเดินหน้าพัฒนาไปด้วยก็ด้วยมีวิริยะมาออกแรงทาการ โดยมีปฏิบัติการต่างๆมากมายมนุนุนมาพาให้ก้าวไปแล้วในที่สุดความรู้เข้าใจและคิดเห็นพิจารณาตัดสินวินิจฉัยที่เป็นงานของปัญญานั้นจะถูกต้องพอดีตรงตามเป็นจริงไม่ผิดพลาดไม่เอียงก็ต่อเมื่ออยู่ในภาวะจิตที่เป็นอุเบกขาเป็นตุลาอยู่ในดุลยภาพ แต่การที่จิตเข้าถึงภาวะเป็นอุเบกขานั้นได้ก็ด้วยการที่จิตเองได้พัฒนาขึ้นมาเป็นจิตที่มีสุขภาวะแล้วคือเป็นจิตที่เอิบอิ่มสดชื่นและผ่อนคลายด้วยปีติและปะัตติจนกระทั่งจิตนั้นอยู่ตัวตั้งมั่นเป็นสมาธิได้จึงก้าวมาถึงภาวะแห่งดุลยภาพของอุเบกขาทีนี้ก็มีข้อสังเกตว่าหลักธรรมทั่วไป โดยมากมีปัญญาเป็นตัวคุมท้ายแต่แปลกว่าในชุดโพชงนี้ปัญญาเป็นองค์ที่สองเป็นตัวเจ้าของงานทำงานเต็มที่แล้วมีอุเบกขาเป็นตัวคุมท้ายที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอุเบกขาทำให้ทั้งหกข้อต้นทำงานได้ถูกต้องเที่ยงตรงสมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งปัญญาที่เป็นตัวเอก ถ้าจิตไม่อยู่ในดุลยาภาพไม่สมดุลเอียงซ้ายเอียงขวาเอ็นขึ้นเอ็งลงก็จะรู้เข้าใจเอ็งเอียงบกพร่องมองเห็นไม่ตรงตามเป็นจริงดูอย่างสติที่บอกเมื่อกี้ว่าสติตั้งหลักได้เอาละเราตั้งหลักได้แต่ที่นี้พื้นกระดานบ้านเอียงพอพื้นกระดานบ้านเอียงเราตั้งหลักบนพื้นกระดานบ้านที่เอียง จะเป็นอย่างไรเราตั้งหลักได้ตรงบนพื้นกระดานบ้านที่เอียงหลักนั้นก็เอียงกับโลกแล้วทีเนี้ยถ้าเราตั้งหลักนี้ให้มันตรงกับโลกลงขึ้นไปในท้องฟ้ามันก็เอียงขัดกับพื้นกระดานบ้านอีกนั่นแหละเข้ากันไม่ได้กับพื้นบ้านที่เอียงนี่คือสติที่ยังสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าจิตไม่เป็นอุเบกขาเพราะฉะนั้น ภาวะลงตัวสมดุลของจิตนี้จึงสำคัญมากตั้งแต่สติไปเลยสติแสนจะดีทำให้ตั้งหลักได้แต่พอมาเจออุเบกขาไม่มีเข้าสติก็ชักยุ่งก็ดีแหละต้องมีสติแต่สติทำงานได้ผลไม่เต็มที่เพราะมันมีความไม่สมบูรณ์อย่างที่บอกเมื่อกี้เหมือนพื้นบ้านพื้นกระดานเอียงนั่นแหละไปตั้งหลักบนนั้น มันก็ต่อไปก็เหมือนกันจิตไม่เป็นอุเบกขาปัญญาก็เห็นเอยนเอียงมองลำเอียงถ้ายังมีความเอยนเอียงอยู่ก็เห็นไม่ตรงก็ไม่ถูกจริงไม่ตรงตามความเป็นจริงยังมีความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นในที่สุดแม้จนถึงโพธิญาณก็จึงต้องมาในจิตที่เป็นอุเบกขา เมื่อถึงอุเบกขาครบจบโพชงเจ็ดแล้วผลที่ปัญญาได้คือความรู้ความเข้าใจก็จะสมบูรณ์เที่ยงตรงถูกต้องแน่นอนไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นจึงควรพัฒนาจิตใจให้สามารถมีภาวะจิตเป็นอุเบกขาเมื่อใจเราเข้าถึงภาวะจิตอุเบกขาใจอุเบกขาก็มาบรรจบกับปัญญาที่จะรู้เข้าใจมองเห็นชัดรง ปัญญาที่เป็นโพธิมาในจิตที่สมดุลเป็นอุเบกขาเป็นนันว่าปัญญาที่สมบูรณ์มาในจิตที่เป็นอุเบกขาและอย่างที่บอกแล้วว่าจิตของพระอรหั น, นตเ์เป็นจิตอุเบกขาเป็นจิตที่มีความสมบูรณ์ลงตัวกับโลกนี้ทั้งหมดก็เลยหมดปัญหาอยู่ด้วยปัญญาที่มองเห็นแจ้งตรงตามเป็นจริงเท่าทันโลกและชีวิต หลักโพดชงนี้เราสามารถนำมาใช้ในปฏิบัติการกับเรื่องทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอะไรๆ ร, รวมทั้งปฏิบัติการในการปราบโควิด -19 นี้ให้ได้ผลอย่างดีอย่างน้อยคนที่มีโพชชงเจ็นั้นใจไม่มีโรคนี่ขั้นที่หนึ่งใจไม่มีโรคเป็นใจที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรได้ คนมีใจไร้โรคแล้วมีสุขภาพจิตดีสมบูรณ์เมื่อรู้วิชารู้งานชนานาญการก็มาแก้ไขปัญหาสุขภาพกายสุขภาพของสังคมได้ผลดีโพชชงนี้เป็นหลักการใหญ่ที่มาใช้ครบทุกขั้นตอนงานก็จะสมบูรณ์ถ้าทำงานไม่ครบโพดชงเจ็งานและผลสำเร็จของเราจะไม่สมบูรณ์ อย่างเช่นงานพิจารณาตรวจสอบวัดผลก็ต้องอยู่ในจิตอุเบกขาปัญญาจึงจะเห็นถูกต้องชัดตรงเอาละได้พูดเรื่องโพชงมาพอสมควรขอย้าอีกทีว่าโพชงคือธรรมะที่เป็นองค์ประกอบของโพธิคือธรรมหรือธรรมะที่เป็นองค์ประกอบของการตื่นรู้จนถึงตรัสรู้ซึ่งรวมมาถึงการที่จะทางานทั้งหลาย ให้สำเร็จบรรลุจุดหมายอย่างดีงามได้ผลสมบูรณ์จุดเน้นอันหนึ่งจากโพ่อชงก็คือการแก้ปัญหาและการทำงานสร้างสรรค์ทั้งหลายเริ่มจากจิตใจที่ดีงามสมบูรณ์คือจิตใจที่ไม่มีโรคเมื่อจิตใจไม่มีโรคแล้วก็จะทำงานได้ดีมีผลสมบูรณ์และจิตใจที่ไม่มีโรคนั้นเอื้อโอกาสให้ปัญญาพัฒนาได้สมบูรณ์ด้วย เมื่อปัญญาทำงานได้สมบูรณ์ผลสำเร็จก็สมบูรณ์วันนี้ก็เลยอธิบายเรื่องโพชงตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งในระดับศรัทธาที่เอาโพชงมาใช้เป็นปริษฐ์เอามาสวดมนต์ซึ่งบางทีหรือมักจะสวดกันไปฟังกันไปโดยไม่ได้รู้เข้าใจเนื้อความที่เป็นหลักธรรมแต่ด้วยแรงศรัทธาก็ช่วยให้มีผลดีแก่จิตใจทาให้จิตใจตั้งหลักได้ เกิดมีความมั่นคงมั่นใจมีจิตใจสงบสดชื่นผ่องใสและมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันได้ในสถานการณ์โควิด -19 นี้เราเอาโพชงมาใช้ประโยชน์ได้ในทั้งสองระดับทั้งระดับศรัทธาและระดับปัญญาช่วยให้ปฏิบัติการในการแก้ปัญหาของสังคมนี้สำเร็จให้คนอยู่กันดี จะได้เป็นฐานที่จะเดินหน้าก้าวไปสู่ความเจริญงอกงามมีความสุขโดยพึงมีภัยบณ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งสองอย่างคือมีทั้งอามิตรภัยบณ์ความพร่างพร้อมทางวัตถุและธรรมะภัยบณ์ความแพร่หลายของธรรมะด้วยคิดว่าพูดไว้เท่านี้พอสมควรแล้วขออนุโมทนา หมวดที่ 3. ขั้นปฏิบัติการโพชฌงในชีวิตและกิจการถ้าเลือกที่ไม่ได้ก็ทำที่นั่นให้มันดีเมื่อกี้ได้พูดอธิบายความหมายของโพชฌงเจ็ดแต่ละข้อแต่ละข้อไปแล้วเมื่อเข้าใจธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติเป็นรายข้อแล้วก็มาดูการนำธรรมะเหล่านั้นไปปฏิบัติหรือนาไปใช้งาน อย่างในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ลองยกตัวอย่างมาดูว่าเราจะใช้โพชงอย่างไรเอาง่ายๆอย่างที่ทางการประกาศว่าในระยะเวลาที่มีปัญหาโรคโควิด -19 ระบาดนี้ให้คนทำงานที่บ้านอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ต้องมาถกเถียงกันแล้วว่าจะทำหรือไม่ทำที่นี้บางคนก็ชอบแต่สาหรับหลายคนเป็นเรื่องใหม่และแปลกไปก็ไม่ถนัด แล้วก็ไม่สบายใจบางทีขัดอกขัดใจว้าวุ่นขุนใจแต่อย่างไรก็ตามดังที่ว่าแล้วไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตกลงว่าต้องทำทีนี้เมื่อต้องทำงานที่บ้านจะทำอย่างไรบางคนพอนึกถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทำงานก็มองกว้างออกไปทันทีว่าเออในสถานการณ์ร้ายคราวนี้ คนต้องประสบปัญหาเรื่องการทำงานกันทั่วไปหมดคนจำนวนมากมายถูกเลิกงานหยุดพักงานที่ไหนๆก็มีแต่เลิกงานหยุดงานพักกิจการงานเก่าเลิกไปงานใหม่หาไม่ได้เงินหมดไม่มีปัจจัยยังชีพเดือดร้อนแสนสาหัสพอนึกได้มองไปเห็นอย่างนี้ก็หันไปสนใจปัญหาใหญ่ของสังคม เรื่องคนไม่มีงานทำแล้วเดือดร้อนในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นึกได้อย่างนี้ก็เลยเอาเวลาและความคิดไปร่วมกับคนอื่นที่หาทางช่วยเหลือคนที่ตกงานคนที่หมดอาชีพรวมแก้ปัญหาความยากไร้ขาดแคลนในสังคมส่วนเรื่องของตัวเองที่ต้องย้ายการทำงานมาที่บ้านกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องแค่เนี่ยเดี๋ยวก็จัดให้ลงตัวได้ ถ้าจะคิดเขาก็มองว่าดูสิคนมากมายตกงานหยุดงานเดือดร้อนแทบไม่มีจะกินเราเนี่ยยังมีงานทำโชคดีกว่าเขามากมายคนที่นึกได้แล้วมองกว้างออกไปและคิดแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้คนอย่างนี้ก็มาจากการมีสติในขั้นต้นอย่างหนึ่ง ถึงตอนนี้การตกลงจัดการในเรื่องที่จะย้ายการทํางานมาทําที่บ้านก็ยังค้างรออยู่แต่เมื่อคนนึกคิดอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วเขาก็คิดแก้ปัญหาคิดจัดการเรื่องของตัวเองนั้นไปตามเหตุผลโดยไม่ต้องมีความงุ่นงานวุ่นวายเดือดร้อนใจมาแถมซ้ําตัวทีนี้ในเรื่องการย้ายที่ทํางานมาทําที่บ้านที่เป็นปัญหาของตัวเองยังค้างอยู่นั้นตอนนี้ก็อย่างที่ว่าแล้ว เป็นเรื่องที่จะจัดการให้เรียบร้อยลงตัวไปตามเหตุผลไม่มีความรู้สึกวุ่นวายขุ่นเคืองขัดใจอะไรๆที่เรียกว่าเป็นด้านอารมณ์เข้ามาซ้ําเติมตัวเองคราวนี้ก็มาจัดการเรื่องงานการนั้นตามวิถีทางของสติปัญญาในหลักโพชงเขาก็มา น, นึกว่าเออการที่เราต้องอยู่ทํางานที่บ้านเนี่ยเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ เราได้จัดการวางแบบแผนแนวทางการทำงานในบ้านให้ได้ผลดีลงตัวหรือยงังเขานึกด้วยว่าการยาที่ทำงานนั้นก็มีเรื่องข้างเคียงพ่วงมาด้วยที่สำคัญคือเรื่องคนราวนี้คนที่อยู่ร่วมในที่ทำงานเปลี่ยนจากคนทำงานมาเป็นคนที่อยู่ในบ้านอาจจะเป็นคุณแม่คุณพ่อลูกๆหรือคนอื่นๆที่อยู่ร่วมบ้าน แล้วเขาก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวกับเราจะทำงานโดยอยู่ด้วยกันอย่างไรให้มีความสุขแล้วถ้าให้ดีก็ให้มาเกื้อกูลแก่การทำกิจทำหน้าที่การงานของกันและกันด้วยเออเนี่ยเรายังไม่ได้จัดการวางแบบแผนระบบงานให้มันเรียบร้อยลงตัวอย่างนี้เรียกว่าสตินึกขึ้นมาแล้วที่นึกนั้นก็คิดและรู้โดยมองเห็นด้วยว่า นี่ถ้าเราปล่อยไปแล้วจาเป็นต้องทางานโดยไม่ได้มา น, นึกมาคิดจัดให้เรียบร้อยท่านถือว่าประมาทประมาทก็คือละเลยสิ่งที่ควรทำให้เรียบร้อยให้เกิดผลดีที่มันควรจะเป็นแต่ไม่ทำนี่เป็นความประมาทเมื่อเราไม่ประมาทก็มีสตินึกขึ้นมาว่าเรื่องนี้ต้องคิดหาทางจัดวางให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เข้าสู่ข้อสอง ธรรมะวิจัยถึงตอนนี้ธรรมะวิจัยก็คือใช้ปัญญาคิดพิจารณาแยกแยะเชื่อมโยงสืบค้นหาวิธีการที่จะทำให้การทำงานหรือกระบวนวิธีทำงานนั้นเป็นไปด้วยดีซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นในบ้านในครอบครัวด้วยเมื่อคิดค้นหาไปหาไปก็อาจจะได้ความคิดดีๆ นี้ก็มานึกึ้นได้ว่าเราควรจะฟังความรู้ความคิดเห็นของคนที่อยู่ในบ้านร่วมกันทั้งหมดว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ดีไหมหรือเขาอาจจะมีความคิดเห็นอะไรดีๆตรงนี้ก็เข้าสู่วิธีของปัญญาตามหลักการทีเดียวคือการใช้ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมมาเสริมปัญญาซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่น หลักที่พูดถึงนั้นคืออย่างไรธรรมวิจัยที่ใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาค้นหาวิธีการที่จะให้ทำงานได้ดีนั้นถ้าพูดสรุปความตามหลักก็คือการวิจัยหรือธรรมวิจัยนั้นก็เพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิแปลกันว่าความเห็นชอบ ถ้าแปลแบบชาวบ้านก็คือข้อสรุปความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราต้องการหรือจุดประสงค์ของปัญญาเราวิจัยตอนนี้เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในตอนนั้นคือให้ได้สัมมาทิฏฐิเท่าที่พัฒนามาได้ที่นี้หลักก็มีว่า สัมมาทิฏฐิมีข้อปฏิบัติหรือธรรมะที่หนุนหลายอย่างอย่างหนึ่งคือสาคัญฉาได้แก่การสนทนาถกปัญหาอภิปรายให้ความรู้ความคิดเห็นแก่กันมาถึงตอนนี้เราต้องการได้ข้อสรุปความคิดเห็นที่จะให้ได้สัมมาทิฏฐิที่ดีที่สุดเราก็พูดคุยปรึกษาหารือกับคนในบ้านบอกว่าวันนี้มาคุยกันหน่อยนะ ที่เราต้องอยู่บ้านและทำงานกันที่บ้านเนี่ยแต่ละคนก็ทำงานต่างกันและบางคนก็ไม่ได้ทำงานเรามาช่วยกันคิดวางวิธีอยู่ร่วมกันให้ทำงานโดยต่างคนต่างทำแต่อยู่ร่วมกันให้ทุกคนอยู่และทำงานได้ดีอะไรทำนองนี้ก็มาพูดคุยกันดูด้วยใจเที่ยงตรงไม่เอ็นเอียงจนกระทั่งปัญญามองเห็นเป็นที่สบายใจว่าทางานอย่างนี้จะอยู่กันด้วยดีด้วย และงานของแต่ละคนก็เดินหน้าไปด้วยดีด้วยแถมมาหนุนมาเสริมกันด้วยอย่างนี้ก็ได้ความสบายใจมั่นใจการดำเนินการในเรื่องนี้ก็สำเร็จด้วยวิริยะถ้าได้พบวิธีที่ดีที่เกิดมีปีติได้อิ่มใจปลื้มใจแล้วก็เป็นอันได้ดทำงานกันในบรรยากาศดีที่ทุกคนมีปัสัติผ่อนคลายที่คนอยู่อย่างเกื้อกูลกันงานก็ได้ผล คนก็เป็นสุขที่พูดมาอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งเห็นได้ว่ากระบวนของโพชงได้ครบก็ขอให้ไปพิจารณาเอาเองตลอดทั้ง7ข้อแต่ในที่นี้ต้องการพูดให้เห็นว่าธรรมะที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเจดข้อที่เป็นองค์ในนี้เท่านั้นธรรมะแต่ละข้อยงไปถึงธรรมะอื่นๆที่เกี่ยวข้องเอง เราเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยจะพูดว่าธรรมะทั้งหลายเรียกหากันและกันก็ได้แต่ธรรมะอื่นๆที่โยงไปถึงเหล่านั้นไม่ใช่เป็นองค์ตรงนี้ก็เป็นอันได้บอกว่าเราใช้ปัญญาที่เป็นธรรมะวิจัยเพื่อให้ได้สัมมาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐินั้นจะเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่างเช่นสากัดฉา เราก็จัดให้มีสากัะช้าเพื่อให้ได้สัมมาทิฐินั้นคนสู้ปัญหาพัฒนาได้แน่ในสถานการณ์โควิด -19 นี้ ไม่ใช่แค่เรื่องไม่มีงานทำหรือเรื่องย้ายที่ทำงานไปทำที่บ้านเท่านั้นความขัดข้องต่างๆมีอีกมากมายคนจำนวนมากไปไหนไปไหนไม่ได้และไม่มีที่ที่จะไปต้องอยู่แต่ที่บ้านบางคนก็มาคิดว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปทำงานแต่จะไปที่อื่นๆที่ไหนก็แทบไปไม่ได้ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวจะทำอย่างไรดี ก็เลยอึดอัดขัดเกืองกลุ้มใจงุนงานวุ่นวายไปต่างต่างว่าทำไมเราจะต้องอยู่แต่ที่บ้านไม่ได้ทำอะไรจะไปสถานบันเทิงก็ไปไม่ได้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่ได้ไม่เคยเลยกับชีวิตแบบนี้ไม่เป็นอิสระไม่มีเสรีภาพน่าเบื่อเหลือเกินนี่ถ้ามีสตินึกขึ้นมาปัญญาก็มองเห็นได้ว่าเราเนี่ยไม่ปกติแล้วมาขุนข้องมองใจอะไรอยู่ เกิดปัญหาขึ้นมาแทนที่จะแก้ไขกลับไปคิดวุ่นวายพอกเพิ่มเติมปัญหาให้มันหนักมันหนาขึ้นไม่ได้อะไรทุกใจเสียเวลาทำร้ายตัวเองที่จริงก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสถานการณ์เปลี่ยนไปก็ถึงเวลาที่เราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่นั้นจะว่ามันมาท้าทายก็ได้นี่คือเราจะได้ทดสอบตัวได้ฝึกตน สถานการณ์เปลี่ยนไปเราก็พลิกตัวใหม่คนในสมัยที่ผ่านมาชอบพูดว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นก็ถูกเป็นถ้อยคาสำนวนหนึ่งที่ใช้ได้รวมความก็คือต้องทำให้เป็นโอกาสแต่โอกาสในที่นี้เป็นโอกาสที่ไม่ปรารถนาเมื่อเป็นโอกาสที่ไม่ปรารถนาเราก็ต้องทำให้มันดี จนกระทั่งมันกลายเป็นโอกาสที่ดีที่มีความสำเร็จเป็นโชคไปเลยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นโอกาสที่น่าปรารถนาไปเองมันก็อยู่ที่ความสามารถของเราโอกาสมาท้าทายเราว่าจะสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ไหมถ้าเรามีความสามารถจริงเราก็ทำได้แล้วนี่ก็คือเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสให้กลายเป็นได้ประโยชน์ทาให้เราเป็นคนมีความสุขไปเลย สติมาปัญญามองหาหนทางก็เข้าสู่กระบวนของโพชงจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ก็คิดวิธีการไปบางคนมองเห็นว่าตอนนี้ลหละเป็นโอกาสดีมีเวลาที่จะได้ศึกษาหาความรู้ก็อ่านหนังสือยกใหญ่ค้นคว้าหาความรู้คิดค้นอะไรต่ออะไรไปจนกลายเป็นประสบความสำเร็จไปในทางหนึ่งก็ได้ ยังในชีวิตของบางคนที่ถูกเหตุการณ์บังคับเขาไม่ยอมตันก็ใช้เวลานั้นเป็นโอกาสศึกษาค้นคว้าทำให้เขาได้เป็นนักคิดนักประดิษฐ์ผู้ค้นพบที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวท้อมัวทุกมัวกลุ้มใจไม่ใช่เวลาที่จะท้อแต่เป็นเวลาที่จะต้องทำ สติปัญญาต้องพาใจให้พลิกสถานการณ์กลับพลิกทุกข์ให้เป็นโชคชัยให้ได้อย่างที่ว่าคนผู้ประสบความสำเร็จที่เรียกว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดดเด่นขึ้นมาในวิธีทางอย่างนี้กันเป็นจำนวนมากจะเป็นความล้มเหลวหรือเป็นความสำเร็จก็อยู่ที่ตัวเราเองนี่หละถ้าเราคิดไม่เป็นไปมัวท้อถอยกลุ้มใจอยู่มันก็ไม่เปไหนได้แต่อยู่กับความทุกข์ แต่พลิกนิดเดียวขอคิดได้คิดเป็นก็พลิกสถานการณ์ได้ทุก์ก็กลายเป็นต้นทางเป็นที่มาของความสุขไปเลยอย่างบางคนมองเห็นตนเองว่าตอนนี้เราอยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเราลองศึกษาธรรมะดูสิก็เลยค้นคว้าหาความรู้เรื่องธรรมะไปยกใหญ่จนแตกฉานกลายเป็นอาจารย์สอนธรรมะไปได้ หรืออย่างบางคนเจ็บไข้ทำอะไรไม่ได้เคยแข็งแรงมีสุขภาพดีคิดไม่ถึงว่าตัวจะเจ็บไข้คราวนี้พอเจ็บไข้แล้วกลายเป็นโอกาสให้ได้ยินได้ฟังและได้คิดก็เลยมาสนใจธรรมะเอาจริงจังแต่ก่อนไม่เคยสนใจเลยได้แต่เที่ยวหาความสนุกสนานบันเทิงกลายเป็นว่าเพิ่งมาโชคดีตอนที่เจ็บไข้นี่เองทาให้ได้มารู้จักธรรมะและได้ศึกษายกใหญ่ นี่แหละสิ่งที่ไม่คาดหมายในทางที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกทุกข์ให้เป็นสุขเป็นโชคชัยก็เกิดขึ้นได้อย่างนี้เป็นนั้นว่าที่รู้จักแก้ปัญหาสามารถพลิกสถานการณ์ได้กลับร้ายกลายดีอะไรอะไรกันนั้นก็เป็นการปฏิบัติตามหลักโพชงนี่แหละถึงจะยังไปตลอดกระบวนครบองค์ไม่ไหวอย่างน้อยก็ตั้งต้นด้วยสติ แล้วก็ปัญญาที่วิจัยเดินหน้าบุกฝ่าไปด้วยวิริยะเอาหลักว่ามาเทนี้เป็นตัวอย่างก็เพียงพอแล้วที่พูดไว้ก็เพื่อให้เห็นว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราจะมัวกลุ้มใจปล่อยตัวอยู่กับความรู้สึกขัดข้องมองมัวก็มีแต่จะปิดกั้นความรู้คิดของตัวสติไม่มาปัญญาไม่มีเรียวแรงกำลังวิริยะที่ตัวมี ก็ไม่เอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สถานการณ์นั้นเป็นโอกาสให้ได้ในการที่จะแก้ปัญหาทำการสร้างสรร์แล้วก็พัฒนาชีวิตของตนเองให้ก้าวไปคนเรานี้จะพัฒนาชีวิตของตนได้ดีจากการที่ได้พบปัญหาและพยายามแก้ไขคนที่ไม่เจอปัญหาจะพัฒนาตนได้ยากเมื่อประสบปัญหาจึงอย่าไปมัวท้อมัวทุกข์ แต่พอเจอปัญหาก็ตั้งตัวตื่นทันไว้จะได้มีสติมาบอกว่าถึงเวลาเราต้องใช้ปัญญาแล้วปัญหานั้นคู่กับปัญญาก็คิดค้นพิจารณาหาทางแก้ไขปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นมาพอปัญญามาปัญหาก็หมดไปเราก็เปลี่ยนทุกเป็นสุขได้กลายเป็นความเจริญงอกงามและความสำเร็จ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สถานการณ์มันท้าทายว่าเราจะมีความสามารถมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตได้แค่ไหนเราก็เอาโพชงมาใช้เอาโพชงมานำหน้าพาไปถึงธรรมะทั้งหลายได้ทั่วถึงกันหมดพอสติเริ่มตั้งตัวตั้งต้นได้ปัญญามาโดยเฉพาะปัญญาที่ชื่อว่าวิจัยมาเฟ้นฟัน แล้วจากนั้นธรรมะข้อต่างๆก็จะโยงต่อกันไปเองฉะนั้นจึงบอกได้ว่าจะจับที่จุดไหนก็ได้แล้วมันก็โยงไปถึงกันคนไทยมีคุณภาพแค่ไหนพิสูจน์ได้ด้วยโควิด -19 เวลานี้ทุกคนอย่าไปคิดแค่ใกล้ๆไม่ใช่แค่พวกเราในทิ่นนี้บ้านนี้แต่ทั้งประเทศไทยและไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่กว้างออกไปทั้งโลกกำลังเจอวิกฤตการโรคโควิด19แพร่ระบาดไปทั่วหมดเป็นสงครามโรคเราเคยเจอสงครามโลกตอนนี้มาเจอสงครามโรคและในวงการระหว่างประเทศก็มองเห็นกันว่า สงครามโรคโควิด1 9คราคราวนี้มีความร้ายแรงแทบจะไม่แพ้สงครามโลกเมื่อเจอสงครามโรคที่เราต้องมาอยู่ในวิกฤตการโรคโควิด1 9นี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาคิดพิจารณาแก้ไขให้จบสิ้นไปการจัดการกับสถานการณ์ครั้งใหญ่นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าต้องมีสติกับปัญญามาตั้งหลักและส่องทางให้ พอสติมาเริ่มต้นให้ปัญญาคิดพิจารณาหาทางออกสู่ปฏิบัติการกระบวนการแก้ปัญหาก็เดินหน้าไปได้ที่นี้เหตุการณ์นี้เป็นไปในวงกว้างใหญ่ทั่วโลกผู้คนล้มตายมากมายเกิดความสูญเสียตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจไปจนถึงจิตใจเหลือหลายแทบจะประมาณมิได้เมื่อเป็นเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้จะให้เป็นเรื่องที่พระเรียกว่าโมคะ ที่ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์จะได้ก็ไรก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ให้มันผ่านไปเปล่าประโยชน์อะไรบ้างที่ควรจะได้จากสถานการณ์โรคโควิด1 9นี้ปัญญาที่เป็นธรรมะวิจัยก็บอกให้ว่า 1. มองสืบทอดจากอดีตมันเป็นบททดสอบ 2. มองปัญหาในปัจจุบันมันเป็นแบบฝึกหัด 3 ม, มองเล็งผลในอนาคตมันเป็นบทเรียนข้อที่1มองสืบทอดจากอดีตเป็นการมองย้อนอดีตคือดูสภาพปัจจุบันที่เป็นผลสืบทอดมาจากอดีตวิกฤตการนี้เป็นบททดสอบว่าคนในสังคมนั้นๆมีสภาพเป็นอย่างไรมีคุณภาพแค่ไหนคือเป็นบททดสอบเชิงอดีต โดยย้อนไปมองจากอดีตซืบมาว่าคนพวกนั้นๆในถิ่นต่างๆในสังคมต่างๆว่าเท่าที่ได้พัฒนาจากอดีตมาถึงบัดนี้มีสภาพเป็นอย่างไรมีคุณภาพแค่ไหนตั้งแต่ด้านจิตใจว่าเข้มแข็งมั่นคงสามคัคคีมีวินัยมีน้ำใจใช้ปัญญาเป็นต้นหรือไม่แค่ไหนพอให้ได้เห็นกันในแง่ที่เป็นบททดสอบนี้ เวลานี้ก็ได้มีสถานการณ์จริงเกิดขึ้นแล้วคือวิกฤตการโควิด1 9ที่รู้กันและพูดกันอยู่นี้น่าพูดถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทยไว้นิดหน่อยคือในสถานการณ์นี้เรามามองดูคนไทยว่าเท่าที่ได้พัฒนามาถึงบัดนี้มีสภาพเป็นอย่างไรมีคุณภาพแค่ไหนเอาแค่เป็นตัวอย่าง คนไทยนีมมีชื่อเสียงที่รู้กันดีเป็นที่กล่าวขานไปกว้างไกลดังที่ได้ยินว่าพวกนักทัศนาจรคนต่างประเทศเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยพากันประทับใจในเรื่องที่คนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจต้อนรับโอภาปราศัยเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสเสน่ห์ของคนไทยที่ดึงดูดใจคนเมืองอื่นใหอยากมาเที่ยวเมืองไทย อิทิศัพท์ที่ว่าคนไทยมีน้ำใจเนี่ยได้ยินกันเรื่อยมาเป็นเวลายาวนานเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ที่เกิดมีวิกฤตการโควิด -19 ขึ้นมาในด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสที่จะทดสอบและแม้แต่จะพิสูจน์คุณสมบัติสำคัญคือความมีน้ำใจของคนไทยนั้นว่ามีจริงเป็นจริงอย่างที่เล่าลือหรือไม่คราวนี้มาถึงสถานการณ์โควิด -19 ตัวผู้พูดนี่ แม้จะอยู่ห่างไกลและได้ฟังข่าววิทยุบ้างมีเสียงคนพูดกันมาถึงบ้างก็ได้ยินว่าคนไทยในสถานการณ์ร้ายนี้น้ำใจดีมีเมตตาแสดงออกมาชัดเจนเห็นอกเห็นใจกันอยากเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไรติดขัดขา ด, ดแคลนมีอะไรจะต้องช่วยเหลือก็พร้อมที่จะเข้าไปให้อะไระไรหรือทาอะไระไรให้ แม้แต่เหมือนกับไปช่วยรับใช้อีกด้วยเข้าหลักการปฏิบัติธรรมว่ามีเมตตากรุณาออกมาสู่ทานจนถึงวัยยาวัจมัยทำให้คนไทยมีลักษณะที่จะเป็นมิตรแท้คืออาปาสุถึงคราวเดือดร้อนมีภัยก็ไม่ทิ้งกันแถมในกราวคับขันก็มีกำลังคนในสถานการณ์โควิด -19 นี้ชัดเจนมาก อย่างเช่นคนที่มีฝีมือทำหน้ากากอนามัยก็ทำเอามาแจกกันถ้าเป็นบริษัทเป็นกิจการใหญ่ๆก็ถึงกับจัดหาให้นอกจากหน้ากากในปริมาณมากมายแล้วก็จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาพยาบาลช่วยชีวิตมามอบมาบริจาคให้แก่ทางการแก่โรงพยาบาลตลอดจนเอื้ออำนวยสถานที่จัดอาคารใหแพทย์พยาบาลพักอาศัย หรือจะให้เป็นโรงพยาบาลสนามเกิดเรื่องอะไรที่จะต้องขอแรงก็มีจิตอาสาออกมาพร้อมทั่วสแสดงให้เห็นน้ำใจที่พร้อมจะช่วยเหลือกันช่วยผู้เจ็บป่วยทุกคนให้พ้นความเดือดร้อนให้เขามีความสุขแต่ใกล้ชิดเรื่องที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตั้งแต่ท้องถิ่นที่มีอสอมอดูแลไปทั่ว มาถึงแกนกลางก็คือคุณหมอและพยาบาลเรื่องนี้ได้ยินอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทั้งทางวิทยุและคนเล่ากล่าวขวัญกันว่าท่านเหล่านี้มีน้ำใจอย่างสูงนอกจากมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็ต้องมีความเสียสละมากด้วยทั้งสละเรียวแรงกำลังสละเวลาและยังเสียสละดวงใจบางทีเหมือนกับทิ้งครอบครัวมาต้องมาอดหลับอดนอนทางานกันเต็มที่ สำหรับคุณหมอและพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นเรื่องนี้เป็นทั้งความมีน้ำใจและความเสียสละมารวมพร้อมกันเต็มที่โดยที่ความเสียสละมีน้ำใจนั้นเป็นความเสียสละอย่างสูงเพราะถึงขั้นมีความเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตจ่ออยู่ด้วยเลยทีเดียวดังนั้นคนทั้งหลายที่กล่าวขวัญอย่างที่ได้ยินมานนี้จึงมีความเห็นใจและห่วงใยอยากให้ทุกท่านปลอดภยัย ทำให้งานสำเร็จงานทำให้คนยิ่งพัฒนามาถึงตรงนี้ก็เลยจะพูดถึงหลักโพชงที่น่านำมาปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะคุณหมอและพยาบาลทั้งหลายนั้นเมื่อทำงานกับคนเจ็บไข้ต่อหน้าโรคร้ายที่น่ากลัวว่าจะติดต่อกันอีกทั้งฉุกเฉินบ้างแทบจะชุนละมุนบ้าง ก็แน่นอนว่าต้องมีสติตื่นพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมั่นใจทำการเด้ฉับไวทันการโดยไม่พลั้งเผลอไม่ผิดพลาดพร้อมทั้งไม่ประมาทในการรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าถ้าเผลอสติเมื่อไหร่พลั้งพลาดไปภัยก็อาจมาถึงตัวสติทำให้ใจอยู่กับงานทันการที่เป็นไปไม่เผลอไม่พลาดนี่เป็นธรรมะสาคัญเมื่อสติตั้งต้นจับงานให้แล้ว และตามติดถึงคนถึงงานอยู่ตลอดเวลาปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานก็เข้ามาบริหารทั้งสองทางเปิดทางนำทางสั่งงานและเดินงานก้าวหน้าไปนี่คือเรื่องของความรู้ความคิดตั้งแต่มีความรู้ความเข้าใจนอกจากรู้เข้าใจโรครู้สภาพคนไข้และรู้เข้าใจวิชาการตลอดจนวิธีปฏิบัติในวิชาชีพของตนอย่างดีแล้ว ก็คิดการต่างๆได้ชัดเห็นทางแก้ไขปัญหาและบำบัด ร, รักษาคนไข้ให้หายจากโรคนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่ว่าเป็นธรรมะวิจัยที่นี้เมื่อปัญญามองเห็นตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำอันโยงไปถึงความสำคัญของชีวิตคนประกอบด้วยความหวังดีปรารถนาดีต่อคนไข้ ว้างออกไปถึงจุดหมายแห่งความเกษมสารมั่นคงของสังคมประเทศชาติพอปัญญานั้นมองเห็นทางไปของงานเห็นกระบวนวิธีที่จะแก้ปัญหาเห็นทางสาเร็จในการบำบัดรักษาได้ชัดก็เกิดเรียวแรงกำลังกายกำลังใจมีความเพียรก้าวรุดหน้าไปในการทำงานอย่างเข้มแข็งที่จะให้สาเร็จจุดหมายนี่คือเกิดมีวิริยะ เป็นแรงขับเคลื่อนให้เดินหน้านอกจากนี้เมื่อคุณหมอและพยาบาลเป็นต้นทำงานนี้อยู่ก็จะมองเห็นด้วยว่าตนนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นแกนเป็นหลักของการที่จะแก้ไขปัญหาของชีวิตของสังคมของประเทศชาติในเวลานี้บุคคลกลุ่มนี้คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขนี่แหละ ที่จะพาให้คนไทยสังคมไทยประเทศชาติไทยผนวิกฤตการโรคโควิด -19 นี้ไปได้เป็นกำลังหลักเป็นกำลังแกเลยทีเดียวเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็ยิ่งมีกำลังความเพียรในการทำงานอย่างเข้มแข็งจริงจังเต็มที่นอกเหนือจากผลดีและคุณประโยชน์ในการทำงานสร้างสารรค์แก้ปัญหาโดยตรงนี้แล้วยังมีข้อควรคานึงอีกว่า การแพทย์ของไทยนี้มีเกียรติคุณเป็นที่รู้กันมาว่ามีมาตรฐานในวงการระหว่างประเทศหรือในระดับโลกสูงมากปฏิบัติการทางการแพทย์ในสถานการณ์นี้ก็จึงเหมือนเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการแพทย์และสาธารณสุขของไทยนี้มีมาตรฐานสูงสมดังที่ว่านั้นอันนับว่าเป็นการรักษาเกียรติคุณหรือยิ่งเชิดชูเกียรติคุณนั้นใหเด่นใหนำยิ่งขึ้น ความข้อนี้ก็ควรจะถือเป็นสำคัญอย่างหนึ่งด้วยเมื่อปัญญาตรณักรู้ถึงความสำคัญและคุณค่ายิ่งใหญ่ของงานที่ทำพร้อมทั้งมองเห็นวิธีการและปฏิบัติการที่จะให้สำเร็จผลในการบำบัด ร, รักษาและแก้ปัญหาทั้งหลายได้อย่างดีแล้วคุณหมอและบรรดาผู้ทำงานในวงการแพทย์และสาธารณาสุขก็เกิดมีเรี่ยวแรงกาลังความเพียรพยายามืิวิริยะที่จะดาเนินงาน และทำปฏิบัติการต่างๆอย่างเต็มที่จากนั้นเมื่อมองเห็นว่างานเดินหน้าไปด้วยดีความเพียรพยายามสมฤทธิ์ผลอย่างที่ปัญญามองไว้ก็จะเกิดความอิ่มใจได้ปีติคือปลื้มใจเปรมปรีนอกจากเปรมปรีดาว่าการทำงานการแก้ปัญหาเดินหน้าสู่ความสาเร็จได้แน่แล้วก็มีปีติปลื้มใจว่า เราได้ทําบุญกุศลช่วยชีวิตผู้คนและบําเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติอย่างยอดยิ่งแล้วเป็นปีติคือความอิ่มใจปลื้มใจที่ชอบธรรมเมื่อมีปีติอิ่มใจดังว่านั้นแล้วก็จะมีปสัสสติคือความผ่อนคลายเรื่อนสบายกายใจตามมาจิตใจที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่มีความเครียดไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย คนที่ทำงานโดยมีพ่ชงมาถึงปีติและปัสถิมีความอิ่มใจและผ่อนคลายอย่างที่ว่านี้ใจก็รื่นชื่นไปกับงานแนวสู่จุดหมายทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพร้อมด้วยมีความสุขในการทำงานนั้นเมื่อผู้ทำงานมีใจไม่มีโรคแล้วในภาวะที่ผ่อนคลายเป็นสุขนี้ใจนั้นก็พร้อมที่จะเป็นสมาธิ อันมั่นแนวที่จะช่วยให้ทำงานได้สำเร็จและเติมเต็มด้วยดุลยภาพของใจที่เป็นอุเบกขาซึ่งมองเห็นชัดรงไม่เอียงเอียงไม่เบี่ยงเบนอยู่กับความพอดีของความเป็นจริงที่จะให้ปัญญาทำงานได้ผลสมบูรณ์เมื่อแพทย์และบรรดาผู้ทำงานในวงการบำบัดโรคและรักษาสุขภาพนำโพชฌงมาปฏิบัต ผู้ทำงานก็ทำให้งานสำเร็จงานก็ทำให้ผู้ทำงานพัฒนาทั้งกายใจและปัญญาดังได้ว่ามาที่นี้ทางด้านคนทั่วไปเมื่อได้เห็นแพทย์พยาบาลและผู้ทำงานในวงการแพทย์และสาธารณาสุขมีความเสียสละมากมายอย่างนี้ก็ซาบซึ้งใจและเห็นใจแล้วก็มานึกถึงตัวเองว่าเออท่านเหล่านี้ทำงานหนักมากแล้วยังเสียสละกันนักหนา ส่วนตัวเราเนี่ยลำบากนิดหน่อยแค่ดาเนินชีวิตตามเคยอย่างปกติไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อย่างใจหาความสนุกสนานบันเทิงไม่ได้เท่านี้เองจะไปทุกข์เศร้าเหงาหงอยหรืองุนงานวุ่นวายอะไรพอคิดได้ใจก็พลิกกลับเลิกมุนงานหายหงอยเหงาลายเป็นว่าคิดจะเป็นหนุนไปช่วยเป็นกำลังให้แก่ผู้ที่ทางานแก้ไขสถานการณ์ แล้วตัวเองก็เกิดมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาชาวพุทธไทยจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติธรรมของตัวเรื่องความมีน้ำใจที่ได้แสดงเมตาการุนออกมา เป็นการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาทั้งหลายและเป็นทานคือการให้การแบ่งปันต่างๆนั้นก็เป็นอันว่าคนไทยเนี่ยถนัดมากและพร้อมทุกเมื่อเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้านนี้ระดับนี้ได้ดีทีเดียวที่ว่ามานั้นเป็นการทดสอบด้านจิตใจที่แสดงออกมาต่อคนอื่นทีนี้ก็น่าจะดูการปฏิบัติธรรมด้านทาหน้าที่ของตัวเองบ้าง ตั้งแต่ต้นได้อ้างพุทธพจน์ไว้คืออาปทาสุถาโมเวทิตตโพว่าเรียวแรงกำลังตั้งแต่กำลังใจของคนนั้นพึงรู้ได้เมื่อมีภัยอันตรายคำว่าอาปทาสุเนี่ยสำคัญนะและว่าคร่าวร้ายยามคับขันเดือดร้อนมีภัยมาถึงก็เหมือนคร่าวเนี้ยที่เจอโควิด -19 นี่แหละ ทีนี้ก็มีพุทธพจน์อีกว่าจะตุทันจะนิทาเปยยะอาปทาสุภวิสติคือทรงสอนว่าเคาเรพหัดชาวบ้านนั้นเมื่อทำงานมีไรายได้ก็ให้จัดสรรทรัพย์เป็นสี่ส่วนคือหนึ่งส่วนบริโภคใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวดูแลผู้คนทำบุญบำเพ็ญประโยชน์สองส่วนใช้ลงทุนทากิจการงาน และอีกหนึ่งส่วนเป็นนิธิเก็บตุนเพื่อไว้โดยหมายใจว่าอาปทาสุถึงคราวขับขันมีภัยก็จะมีกินมีใช้มีไว้ที่จะช่วยเหลือกันคราวนี้อาปทาสุมาถึงแล้วคือสถานการณ์โควิด -19 ก็รู้ได้เลยว่าเรานี้หรือใครคนไหนมีเรี่ยวแรงกำลังหรือไม่แค่ไหน ตรงจุดนี้หมายถึงกำลังทุนทรัพย์หรือกำลังเศรษฐกิจแล้วก็ได้ตรวจสอบตัวเองด้วยว่าเราได้ปฏิบัติธรรมที่ได้ส่งสอนไว้ในเรื่องการจัดสรรเก็บออมทุนทรัพย์หรือไม่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมข้อนี้ไว้โควิด1 9มาเราก็มีกินมีใช้เป็นอยู่ได้เป็นอยู่ดีถ้าพลาดไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้ก็จาไว้เตือนใจตัวเองว่า ต่อไปเนี้ยจะไม่ประมาทไม่ปล่อยตัวให้พลาดไปเราจะมีวินัยทางเศรษฐกิจอย่างที่ได้ตรัสสอนไว้ส่วนปัญหาส่วนตัวอื่นๆเช่นที่ว่าในสถานการณ์นี้ชีวิตเต็มไปด้วยข้อติดขัดทำอะไรอะไรจะไปที่ไหนๆก็ไม่ได้อย่างใจนั้นเมื่อคิดได้มันก็กลายเป็นแบบฝึกหัดอย่างที่บอกว่าเป็นข้อที่สอง ข้อที่สองก็คือมองปัญหาในปัจจุบันเป็นแบบฝึกหัดปัญหาในที่นี้ก็ได้แก่สถานการณ์ร้ายที่ทำให้คนประสบทุกข์ปัญหาเป็นแบบฝึกหัดที่คนจะได้ฝึกตนเองอย่างที่ได้พูดมาแล้วครั้งต้นว่าในสถานการณ์โควิดสินี้คนจํานวนมากต้องเปลี่ยนจากทำงานที่บริษัทหรือที่ออฟฟิศมาทำงานที่บ้านนี่ก็เป็นแบบฝึกหัด ให้เราฝึกตัวเองว่าเราจะคิดพิจารณาและปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้การทำงานที่บ้านของเรากลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีผลดีได้ไหมการทำความเปลี่ยนแปลงในตัวเองให้เป็นไปด้วยดีและเกิดมีผลดีได้เป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งการปรับตัวได้ก็เป็นการฝึกตัวอย่างหนึ่ง เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ทำแบบฝึกหัดครั้งนี้สําเร็จคนที่คิดจะฝึกตัวนั้นเป็นคนมีสานึกทางการศึกษาเมื่อเจอสถานการณ์ที่จะต้องฝึกตัวปรับตัวเขาจะไม่มัวมาท้อใจทุกใจแต่เขามีความพอใจคือมีชันทะและมีความสุขในการที่ได้พัฒนาชีวิตและรู้จักใช้สถานการณ์ร้ายให้เป็นโอกาสด้วย อย่างน้อยก็ต้องคิดได้ว่าเรื่องนี้ถึงคราวจำเป็นแล้วเราจะมัวมาท้อแท้อยู่ทำไมจะเก็บทุกข์ไว้อัดอั้นตันใจไม่มีประโยชน์เอาเลยเราจะฝึกจะหัดตัวเองดูสิว่าเราจะทำให้สถานการณ์นี้เกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่เราจะอยู่อย่างใหม่ได้อย่างดีที่สุดได้ไหมเรื่องอาจจะกลายเป็นว่าการอยู่อย่างใหม่เนี่ยดีกว่าเก่าด้วยซ้าไป นี่คือในปัจจุบันเราทำแบบฝึกหัดว่ากันแค่นี้ก่อนได้บทเรียนเพื่ออนาคตข้อที่สมองอนาคตสืบจากปัจจุบันให้ได้บทเรียน คือมองปัจจุบันเป็นบทเรียนสำหรับอนาคตหมายความว่าภัยอันตรายสิง่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แสดงให้เห็นเหตุปัจจัยในด้านต่างๆคือเมื่อเรามองสภาพปัจจุบันเราก็จะมองเห็นความเป็นไปของเหตุปัจจัยทั้งหลายแล้วเราก็ประมวลสภาพความเป็นไปและเหตุปัจจัยเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียนต่อไปในอนาคต อันจะทำให้เรามองเห็นทางแก้ปัญหาและเห็นแนวทางการพัฒนาว่าเราควรจะพัฒนาอย่างไรให้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ต่อไปการประมวลบทเรียนนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับการเตรียมการเพื่ออนาคตในแง่ของบทเรียนเพื่ออนาคตนี้ก็อยากจะพูดกว้างๆสักหน่อย ในเวลายาวนานที่ผ่านมาบทเรียนของโลกบทเรียนของอริยธรรมนี้เราก็ได้เป็นบทใหญ่ๆขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวอย่างห้าสิบกว่าปีก่อนนี้เมื่อคริสตศักราช1960งกาปลา ย, ลายก็ได้เริ่มเกิดสภาพเลวร้ายที่เรียกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงขึ้นมาในประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วทาให้คนเกิดมีสานึกในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแลัจากนั้นไม่นานนี้ ก็ทำให้มนุษย์ถึงกับเปลี่ยนแนวความคิดใหญ่ที่เป็นกระแสหลักของโลกเลยทีเดียวที่ว่านี้ก็คือย้อนหลังไป2 3 0ถึงปีมาแล้วกระแสความคิดของอริยธรรมมนุษย์ในตะวันตกนั้นถือว่าการพัฒนาความเจริญต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยการเอาชนะธรรมชาติมนุษย์ต้องพิชิตธรรมชาติแต่แล้วากว่าปีก่อนนี้เมื่อเริ่มเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้ว ก็ทำให้คนเปลี่ยนแนวคิดจากการพิชิตธรรมชาติหันมาคิดเป็นมิตรกับธรรมชาติเวลานี้จะเห็นว่าในประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วทั้งหลายคนชอบพูดบอกกันว่าต้องเป็นมิตรกับธรรมชาติจะทำอะไรอะไรก็ให้ทำอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติอย่างไรก็ตามจนกระทั่งเวลาผ่านมาเกินกว่า50ิปีแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังแก้ปัญหานั้นไม่ได้ ที่จริงก็คือไปได้ไม่ถึงไหนเลยการเป็นมิตรกับธรรมชาติเนี่ยกลายเป็นความคิดกระแสหลักขึ้นมาแล้วแต่ปรากฏว่าในการที่จะเป็นมิตรกับธรรมชาตินั้นคนกลับมาเป็นศัตรูกันเองคนคิดจะเป็นมิตรกับธรรมชาติแต่คนกลับมาเป็นศัตรูกันเองอย่างไรคือคนนั้นมาขัดแย้งกันเอง ที่เป็นปัญหาใหญ่คือขัดกันในเรื่องผลประโยชน์มนุษย์พวกที่ไม่ยอมเป็นมิตรกับธรรมชาตินั้นถือว่าเขาจาเป็นต้องพิชิตธรรมชาติเขาต้องเอาชนะธรรมชาติต้องลุกลานทาลายธรรมชาติเพราะเขาต้องทำเพื่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นปัญหาเศรษฐกิจก็ทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนซึ่งเรายังประสบกันอยู่เป็นเรื่องหลักจนกระทั่งทุกวันนี้ และเป็นปัญหาที่จะยืดเยื้อยืนยาวต่อไปปัญหาใหญ่ๆ ใ, ในปัจจุบันจะเป็นปัญหาโควิดหรือปัญหาฝุ่นควันพิษที่เรียกว่า pm 2.5 ก็ตามเอาไรพวกนี้มองตื้นๆก็ได้บ้างต้องมองลึกลงไปบ้างเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติและธรรมชาติอันนี้ก็มาอยู่ที่ตัวมนุษย์เองนั่นแหละมนุษย์เราเนี่ยด้านหนึ่งก็อยู่กับสังคม ดังที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมอีกด้านหนึ่งก็มีชีวิตที่เป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นสัตว์โลกว่าโดยพื้นฐานมนุษย์เป็นชีวิตเมื่อยังมีชีวิตจึงเป็นมนุษย์ชีวิตเป็นตัวแท้ของมนุษย์ตัวแท้ตัวจริงของมนุษย์จึงเป็นธรรมชาตินี่คือความหมายแท้ที่ว่ามนุษย์โดยพื้นฐานเป็นธรรมชาติ ส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งก็คือบนฐานของชีวิตที่เป็นสัตว์โลกนั้นก็มีบุคคลเกิดขึ้นมาบุคคล น, นี้เป็นสัตว์สังคมอริยธรรมในอดีตยาวนานที่ผ่านมาที่มนุษย์เป็นศัตรูกับธรรมชาติมุ่งน้ารุกรานทําลายธรรมชาตินั้นเป็นอริยธรรมที่มีเป้าหมายมุ่งจะบารุงบาเรอมนุษย์ในด้านตัวบุคคลที่เป็นสัตว์สังคม เมื่อมนุษย์มุ่งหมายมองอยู่แค่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าเขามองข้ามความสัมพันธ์พื้นฐานกับธรรมชาติซึ่งเป็นเนื้อตัวของชีวิตที่เป็นตัวแท้ตัวจริงของเขาเองนี่คือเขามองข้ามไปเขาคํานึงไม่ค่อยถึงความเป็นมนุษย์ในด้านของชีวิตที่เป็นธรรมชาติแท้จริงนั้นไม่ว่ามนุษย์ที่เป็นตัวบุคคลจะทาอะไรก็มีความเป็นเหตุปัจจัยโยงลงไปถึงธรรมชาติ เริ่มจากชีวิตของเขาเองโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติทั้งหมดที่ภาษาชาวบ้านว่าดินน้ำลมไฟมนุษย์จะทำอะไรก็ต้องมองให้ลึกลงไปถึงธรรมชาติไม่ใช่มองอยู่แค่ตัวบุคคลที่เป็นสัตว์สังคมมนุษย์ด้านบุคคลกินอร่ออร่อยด้านชีวิตอึดอัดสุดท้ายคนเป็นโรคอ้วนอริยธรรมปัจจุบัน วัดกันด้วยสภาพชีวิตสภาพตัวบุคคลและสังคมของประเทศที่เรียกว่าพัฒนาแล้วแต่มาบัดนี้ปรากฏว่าประเทศที่พัฒนาลิว่วเต็มไปด้วยคนเป็นโรคอ้วนนี่เป็นสัญญาณเตือนคนให้ระวังความแปลกแยกกับชีวิตของตนมนุษย์ควรมีสตินึกได้ไม่ปล่อยตัวให้มีชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนกลายเป็นขึ้นต่อเทคโนโลยี ถึงขั้นที่ว่าพอเจอสถานการณ์ที่ขาดหายใช้เทคโนโลยีไม่ได้ชีวิตก็ติดขัดจนแทบเป็นอยู่ไม่ได้มีความสุขไม่ได้ไม่สามารถเป็นอยู่ด้วยการดำรงชีพพื้นฐานที่เป็นอยู่กับธรรมชาติหรือไม่ก็อยู่ไม่ได้เพราะธรรมชาติได้ถูกทำลายไปมากมายเสยแล้วสังคมที่ดีจึงควรมีระบบชีวิตที่มีการดารงชีพพื้นฐาน ซึ่งคนมีชีวิตที่ถึงกันกับธรรมชาติจะอยู่ดีไปด้วยกันกับธรรมชาติเป็นฐานประกอบไว้ก่อนชั้นหนึ่งจะได้ไม่ต้องอยู่ใต้บังคับของระบบเศรษ ฐ, ฐกิจและสังคมและไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนี่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่พึ่งตนได้ในยามที่เกิดมีภัยพิบัติ ร, ร้ายแรง เช่นสงครามหรือยังวิกฤตโควิด -19 นี้ถ้าสังคมมีอันเป็นไปถึงกับส่วนเซจะพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ไม่ได้ชาวบ้านต้องพูดได้ว่าเออลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรดินน้ำลมไฟยังดีอยู่พวกเรารู้เข้าใจอาชีวะที่จะให้อยู่ได้ด้วยการดำรงชีพพื้นฐานเมื่อใดชาวบ้านหมั่นเพียรสามัคคี ทำถิ่นไทยให้เป็นโรมนีที่ต้นไม้งามมีน้ำดีเป็นที่น่าอยู่น่าดูน่าเดินเมื่อนั้นธรรมชาติเป็นที่สบายแก่คนสังคมไทยก็จะมั่นคงมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในขั้นเปลือกนอกบุคคลครอบครองใช้เทคโนโลยีชีวิตที่เป็นแกนในของเขาต้องเข้าถึงกันดีกับธรรมชาติด้วย คนต้องทานเทคโนโลยีร้อมทั้งถึงกันกับธรรมชาติต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถทำและใช้เทคโนโลยีมีให้ทำลายธรรมชาติแต่เอาแค่ควบคุมได้และคุ้มครองเกื้อหนุนธรรมชาติมนุษย์ที่ห่างเหินธรรมชาติก็คือแปลกแยกกับชีวิตของตัวเขาเองที่เป็นธรรมชาติไปด้วยเวลา น, านานผ่านไป แม้แต่หลักการต่างๆทางสังคมของเขาก็มีความหมายที่แปลกแยกเพียนไปจากความจริงของชีวิตและธรรมชาติดังเช่นเสรีภาพท่านที่จะหมายถึงการที่ทำได้ตามที่รู้ความจริงรู้เหตุผลความถูกต้องก็กลายเป็นว่าเสรีภาพคือการทำอะไรได้ตามที่รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจใจอยากก็ทำไป คือทำได้ตามความรู้สึกและความคิดเห็นที่เป็นไปตามความรู้สึกนั้นหาได้โยงและอ้างอิงไปถึงความรู้เข้าใจความจริงและความถูกต้องตามเหตุผลไหมตอนนี้ถึงเวลาที่มนุษย์จะต้องมาบูรณาการการพัฒนาของโลกให้การพัฒนาเพื่อสังคมหรือเพื่อบุคคลที่เป็นสัตว์สังคมนี้กลมกลืนเข้ากับการพัฒนา เพื่อความมีชีวิตทั้งกายใจที่ดีงามมีความเกสมสุขด้วยอันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดซึ่งเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันว่าอริยธรรมมนุษย์จะไปไหวหรือไม่ถึงเวลานี้เราพูดได้เลยว่ายัางไม่มีความสำเร็จแม้แต่จะก้าวให้คืบหน้าก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเลยฉะนั้น อันนี้คือปัญหาที่ท้าทายมนุษย์ทั้งโลกเป็นปัญหาที่ท้าทายอริยธรรมของมนุษยชาติและมันก็ท้าทายมนุษย์แต่ละคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในที่สุดปัญหาโควิด1 9ก็มาจบลงที่ปัญหาระยะยาวคือการที่มนุษย์จะต้องหาทางพัฒนาอริยธรรมของมนุษยชาตินี้เพื่อความดีงามความเกษมสุขของชีวิตที่บุรณาการกับพัฒนาการ ที่เป็นความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์นั้นให้เป็นสันติสุขที่ยั่งยืนสืบไปจบเสียงอ่านหนังสือในสถานการณ์โควิด -19 นี้โปรชงสวดก็ได้แต่ถ้าใช้จะยิ่งดีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อ อ, อประยุตโตเสียงอ่านโดยอริยะคุณจุมรมผลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับผู้ร่วมจัดทมอีกดังนี้ยินดีคงคาสุวรรณนงนุชคงคาสุวรรณสมศักคงคาสุวรรณพันนีนิติสรวุฒครอบครัวชูสังจักรพันทิพวารินสุภมาศบุญประเสริฐครอบครัวโทสกุลครอบครัวชัยรัต และอังคณามนธาทิพกุลการมันฟังธรรมะสำคัญอย่างยิ่งนะครับในครั้งพุทธกาลหลายท่านบรรลุได้เพียงแค่ฟังแม้หากชาตินี้ยังไปไม่ถึงแต่ก็เป็นปัจจัยสืบต่อให้พบชาติหน้าได้เกิดมาใฝ่ธรรมเข้าใจธรรมได้ง่ายขึ้นขอทุกท่านเจริญในทางกุศลรอดพ้นจากทุกภัยร้ายทั้งปวงขอให้มีชีวิตยืนนานด้วยสุขภาพแข็งแรงเพื่อสะสมบุญสร้างประโยชน์ให้ตนและคนรอบข้าง ได้ตราบเท่าที่อายุไขจะพึงมีนะครับผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาปัญญาที่แท้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความเจริญความสุขและการนำมาซึ่งความพ้นทุกสภาพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยคุณชมรมคลดีกันยายนพุทธศักราช2564